จเจริญธรรม ท, ทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่14กันยายน2557วันนี้เราจะมาทั้งเทศทั้งบรรยายทั้งขยายความอะไรๆกัน เพื่อที่จะให้ได้รับรู้เพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาถ้าเข้าใจที่อาตมาพยายามย้ําแล้วย้าอีกว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมามันไม่มีอะไรหรอกมันต้องมาศึกษาศึกษาจบแล้วก็สร้างสกิลสร้างความชํานาญต่อไปเท่านั้นเองนะ วันนี้ก็จะมีผู้มาช่วยทำสวอตนะทำสวอตก็หมายความว่ามาปรับควักเอาความจริงของเรากันออกมาให้ได้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่เรามีพฤติกรรมก็ดีแล้วก็มีพฤติกรรมองรวมของหมู่เราที่ทำกันอยู่ร่วมกันอยู่ทำงานอะไรสัมพันธ์กันอยู่เนี่ย ใครมีข้อดีข้อด้ อ, ดอยมีข้อเด่นข้อด้อยอะไรกันมีสเตรนจ์มีวิ n e s s และเราก็เอามาบอกกันว่าเออตรวจสอบกันค้นหาความจริงกันแล้วก็เอาออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครมีข้อเด่นใครมีข้อด้อยอะไ ร, รอะไรคนจริงๆและก็รู้กาลเวลา รู้กาลวเวลารู้ในสิ่งที่เราจะจัดการกันเข้าไปสวอชไอทีเนี่ยตอนแรกอาตมาเนื่อมันจะเป็นทรีตเมนต์แปลว่าการทำการรักษาให้มันดีออทิแทกทรีทส์ th u r ER t อีกอมันคนละตัวก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ใช่นักศึกษาไม่ค่อยเก่งไม่เคยรู้ ก็มาค่อยเรียนรู้เหมือนเมือกับพวกคุณน่ะมารู้บัญญัติแต่ว่าอัตมาว่าอัตมารู้มาจากเนื้อหาสาระของธรรมะแล้วเป็นแก่นเป็นเนื้อมาแล้วที่จริงไอ้การศึกษาพวกนี้ก็เพื่อที่จะมีความรู้ในสัปริสธรรมเจ็ประการแล้วก็เอามาใช้ในธ ม, มหาประเทศสี่เท่านั้นแหละเนื้อหาทั้งหลายแล้วก็คือธรรมัญญาตากับอัฏฐัญญาตา ของทั้งหลายแลที่มันมีอยู่จริงเป็นฟฟโนมีนาทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงมีอยู่จริงเป็นปาตุภาวะหรือปาตุสัจจะที่แท้จริงแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านะั้นออกมาพูดกันจริงไอ้สิ่งที่ไม่มีจริงในสังคมในมนุษย์ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ในสังคมไหนก็แล้วแต่ในประเทศไหนก็แล้วแต่มันไม่มีก็อย่าไปเอามันมาพูดม า, มาก เอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นแบบๆเท่านั้นแต่เวลาเราจะปฏิบัติเราจะกระทํำกันจริงๆเนี่ยต้องเอาสิ่งที่มีมาทําอย่างประเทศไทยเนี่ยการเมืองแบบนี้มันมีแบบนี้มันทุจริตแบบนี้มันเป็นแบบนี้กันเมืองอื่นเขาไม่มีแลไปเอาโครงสร้างเอาทฤษฎีของเมืองนอกเข้ามาพูดพูดไปแต่มันไม่ได้มีไม่ได้เป็นเลยแต่บางทีหลายอย่างไกลไกลเลยแต่ก็เอกเขาดีนะเอาดีมันไกลแต่มันไม่ใช่ฮะมันไม่มีพวกเราไม่ใช่อย่างนั้น เหตุปัจจัยของเราทํา ม, มันยุตตาธรรมะอัฏฐะมันไม่ใช่อย่างนั้นอัฏฐะอาจจะเป้าหมายเดียวกันคือสู่ความสุขสู่ความสงบ เ, เรียบร้อยสู่ความเจริญเหมือนกันได้เหมือนกันได้แต่ในรายะละเอียดแ่งเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันจิตก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะจิตนี่ไม่เหมือนกันยึดถือไม่เหมือนกันนะยึดถือไม่เหมือนกันยึดถือวัฒนธรรมก็เห ม, มือนกันแม้แต่ที่สุดอุปท า, านยึดถือแต่ละคน แต่ละคนรสนิยมเหมือนกันที่ไหนรสนิยมของคนตะวันตกเขาก็อย่างตะวันตกคนตะวันออกก็อย่างตะวันออกตะวันตกบอกอย่างนี้เลยวะ่าดีอร่อยสนุกเพลิดเพลินสูงส่งดีงามที่ไทยบอกว่าไม่อย่างเงี้ยดียกตัวอย่างง่ายๆชัดๆเลยอย่างชาวโสมนียบอกว่ามาจนนี่มาไม่สะสมไม่ต้องไปเอาอะไรมากเพิ่มเติมเนี่ยมันดี ไปกอะไปโกยไปร่ําไปรวยเนี่ยมันไม่ดีโอ้แล้วมันเหมือนกับสังคมเมืองสังคมโลกเขา ง, ง่ายๆเราเรได้เห็นจริงมามว่าเราเองแต่เรามาเห็นจริงๆเลยว่าเราไม่ต้องสะสมเรา ม, มีไม่มีเงินมีทองเนี่ยประเสริฐกว่าจริงๆประเสริฐในนัยยะอะไรเรามีปัญญาเรารู้ปฏิภาณเรารู้ว่าเราไม่ต้องสะสมแต่เราไม่ได้ไร้สมรรถนาเราไม่ได้ไร้ความ รู้ความสามารถความขยันหมั่นเพียรเราไม่ใช่เราไม่มีเรามีเต็มที่เลยถ้าสร้างสรรค์เเกิดผลผลิตเกิดแรงงานเกิดวัตถุเกิ ด, ด, กดนามธรรมเกิดพฤติกรรมจริงๆเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของดีๆด้วยแต่เราก็ไม่ลงรายได้ปลืมไม่ยึดไม่ขอไม่ห่วงอย่างนี้เป็นตน้นเพราะเราจึงไม่จรจริงๆเราไม่มีในการสะสมเป็นของตน จะเรียกภาษานั้นว่าจนเราไม่มีหอบพวงเป็นของตนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินคานพฤติกรรมหรืออะไรที่เป็นของดีๆเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมทั้งหลายเรามีเรารํารวยเลยแต่เราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเราสร้างสรรค์ด้วยแล้วเราก็ยึดเป็นเราเป็นของเราใจจริงเป็นอย่างงั้นด้วยแล้วเป็นสุข เพราะว่าเราไม่มีอุปทานยึดว่ามันต้องเป็นของกูจุดจะสุขแต่แม่ไม่เป็นของกูหรอกของใครก็ได้ที่มันไปใช้ประโยชน์กับแต่ละคนแต่ละคนให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าให้มีชีวิตอันดีเราก็ไม่ห่วงแหนจิตใจเราเป็นยั ง, งั้นเข้าใจอย่างนั้นไม่มีกิเลสห่วงแหนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนอะไรไม่มีตัวตนของตนอย่างเงี้ยสิ่งพิเศษพวกนี้แล้มันเป็นเรื่องจริงที่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้หมดแล้วเอามาสอนใน ห, หมดแล้วแล้วก็พิสูจน์พวกเราเนี่ยชาวโสกทำได้ขนาดนี้มีรูปธรรมจนกระทั่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวอโสกเป็นลักษณะเฉพาะของพวกเราที่คนข้างนอกเขาเห็นเขาเข้าใจแต่ก่อนแต่แรกเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเอาแบบคนจนตามในหลวงเรามา ในลวงตรัสไว้แบบคนจนเราเอามาปฏิบัติประพฤติเป็นคนจนนิยามแล้วนะว่าคนจนไม่ได้หมายความว่าคนสินไรไม่ต่อคนไม่มีความรู้ความสามารถเรามีความรู้ความสามารถเราข ย, ยันมันเพียรเราสร้างสรรเกิดผลผลิตเกิดแรงงานเกิดความรู้เกิดจริงๆเกิดขึ้นมาในสังคมจริงๆแต่เราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรา ก้มีผู้ช่วยกันแจกแบ่งสัพพัตเป็นเศรษฐศาสตร์บทวิเศษของโลกเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนะเพราะงั้นพวกเราจึงมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้เพราะมันไม่ได้บีบีดเบีย น, นใครไม่ได้ไปทำร้ายใครมันเป็นอิน e p e n d เด c e เป็นอิสระเสรีภาพอันยิ่งใหญ่นะ และพวกเราก็ทำด้วยความมุ่งมั่นเกื้อกูลช่วยเหลือเฟืองฟายถือทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นญาติธรรมรักกันเกื้อกูลกันแม้จะเป็นคนผิดเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีก็เห็นใจกันเกื้อกูลกันเข้าใจเขาช่วยเขาช่วยไม่ได้ก็ทำด้วยวิธีที่จะลงโทษ วิธีลงโทษมีหลายอย่างมากมายไม่มีขยไม่มีเวลาขยายเราถือสรุปแล้วก็คือเราถือเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดก็กูลกันหวังดีต่อกันให้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เรียกว่าฟลัตชันตี้หรือพระราดอนภาพเมื่อเรามีสมรรถภาพ มีอฟเฟกชนซีมีความสามารถมีความรู้ความสามารถพัฒนาอยู่แล้วเราก็ทําสร้างสรรสร้างสรรแล้วเราก็มีส่วนเกินส่วนเหลือเพราะเราไม่ได้มีกิเลสหรือว่าลดกิเลสที่ไปติดไปยึดตั้งแต่อายภูมิติดกามติดสิ่งที่เขาหลอกเขาลอ่อแม้ในที่สุดเป็นรูปธรรมอรูปธรรมอะไรอีก เราศึกษาตามสูดทฤษฎีของพระเจ้าเราลดละมาเรื่อยตั้งแต่อบายหรือการเรียกว่าเป็นรูปธรรมอรูปธรรมอย่างใดก็แ ล, แ, แล้วแต่เราก็เข้าใจว่าอะไรจะพออาศัยที่มันหยาบถึงอบายเราไม่ไม่ตองเลยแม้แต่ในการมเราก็ไม่ต้องไปเกิดยินดียินร้ายอาจจะใช้หรือมีเศษเหลือในรูปธรรมอรูปธรรมอีกที่มีส่วนกิเลสส่วนเลือแล้วก็ลางของเรามันเป็นอัตภาพ เป็นจิตของเราส่วนตัวโอปปปาติกะของเราแต่ส่วนนอกตั้งแต่อบายภูมิกามภูมิก็เราไม่มีรสมีชาติก็เราไม่ไม่ใช่ไม่มีรสมีชาติรสชาติมันไม่ได้ประสาทเสียมันรู้รสรู้ชาติแต่มันไม่ปรุงเป็นเรื่องอัสาธมันไม่ปรุงเป็นเรื่องรสโลกียรถมันดับได้จริงๆพิสูจน์ได้วิปุทธเจ้าสอนให้ลดได้เราจรึงเป็นคนไม่เปลือง ไม่ต้องบำร์บัเอร์อัศธไม่ต้องบำรเอรถอร่อยของอบายมุกรถอร่อยของกามไม่ต้องเหลือจักิิลสเหลืออัตภาพที่เหลือโอปปาติกาที่เหลือเป็นรูปจิตอรูปจิตที่มันเป็นอคุศลด้วยล้วก็ล้างมันไปลถมันไปนี่เป็นหลักสูตรพระพุทธเจ้าที่เป็นทฤษฎีที่มีจริงเห็นจริงปฏิบัติได้จริง พระเมื่อสามารถที่จะละล้างเหตุผลนี้ได้เราจึงเป็นคนที่ไม่เปลืองบริโภคน้อยใช้น้อยในวัตถุต่างๆไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินทองเสียทุนรอนไม่ต้องเสียแรงงานที่จะต้องไปบาเรอพวกนั้นการกอบกู้เวลาทุนรอนแรงงานแรงแรงกายแรงใจคืนมาได้ ที่มันไปสิบหายกับไอ้โลกหลอกแล้วเราก็โง่ไปหลงกับมันเอาคืนมาได้นะโอโ้มันรวยชามาัดเลยแต่เรารวยนี่แเรามาเป็นคนจนเพราะเรารวยจริงๆลบสร้างสรรได้เยอะแม้เราไม่เปลืองเอาเวลาเอาแรงงานเอาความรู้ความสามารถที่ไม่ไปเสียกับไอ้เรื่องไร้สาระพวกนั้นเอามาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่ามันก็กาไรแล้วมันก็รือเกินแล้ว แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเสียแรงรานเสียทุนรอนกนไอสิ่งพวก น, นั้นอีกเราก็เหลือสิ่งที่มันใช้น้อยบริโภคน้อยอาศัยน้อยแล้วเราสร้างได้เกินเพราะมีเวลามาสร้างกว่าเกินมีเวลามากกว่าเขานั่นเราก็สร้างได้เยอะจริงด้วยจึงสัพพัฒช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น พระเจ้าเราจึงมีผู้แย่งเราน้อยเมื่อคนแย่งเราน้อยความสงบก็เกิดการแย่งกันมากในความสงบมันไม่เกิดแย่งมากๆแยกหนักเข้าคากันเลยที่เห็นอยู่ในโลกเนี่ยพอเราหยุดแย่งมันก็สงบคนสงบก็มารวมกันสร้างอีกก็ยิ่งสงบกันใหญ่เลยเกิดพี เกิดพีชเกิดสันติความสงบแน่นอนเพราะงันเอฟ ency เเราก็สร้างสมรรถนะความสามารถเราไม่ได้หยุดเราไม่ได้หนีเข้าป่าเข้าเขาเ ข, าเขา้าทํำหลบในเลี้ยวในรูอะไรต่า ง, างนนๆนานาเราไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นมันสมรรถภาพของเราก็ยังสูงอยู่เราจึงเป็นคนที่เจริญด้วยอิสระเสรีภาพ i ินดิ จเจริญด้วยพี่น้องทั้งหลายและ f เฟ t ชเน็ตชเจริญด้วยความสันติสงบพีชเจริญด้วยสมรรถนะความรู้ความสามารถ efficiency แล้วเราก็มาปฏิบัติเป็น i n t ท g เ a t e the integrity เป็นเเป็นบูรณภาพไปตลอดเวลาตลอดระยะเวลา เพรห้าภาพนี้อิสระเสรีภาพพระราดอนระภาพพระราดรเนี่ยนะเขาเรียกเขาอ่านกันว่าหนึ่งอ่านว่าพระราดอนระภาพมีอ่านอย่างไทยๆถ้าอ่านอย่างบัลีเขาก็อ่านพระระพระราดอน ร, า ร, ารภาพนะอย่าไปอ่านพระราดรภาพ อย่าไปอ่านพระราดอรภาพจำไว้คําเนี้ยอ่านพระราดอรภาพหรืออ่านพระราเดรภาพได้สองอย่างอย่าไปอ่านพระราดอรภาพไม่เอามันสองอย่างถ้าอ่านดอเป็นแบบไทยถ้าระเป็นแบบบาลีมันมันผสมกันสองอย่างไม่เอาถ้าจะอ่านดอเขเป็น ไปเลยเป็นไทยถ้าจะอ่านอย่างบาลีดารภาพไปเลยอ้าวแวะเป็นภาษาไทยนิดนึงเรามีพาราดอนภาพเรามีสันติภาพเรามีสมัตภาพนะอินดีพินเดนซ์แฟชั่นิตี้พีซเรามีสมัตภาพ efficiency เรามีบูรณภาพ integrity นะ เราพัฒนาพวกเราเนี่เพื่อให้ไปเกิดจุดนี้ได้ว่าบรมภาวะสุดประเสริฐหประการบรมภาวะสุดประเสริฐหประการจุดสำคัญหประการที่เราทำเราก็ทำได้ขึ้นมาบ้างอิสระเป็นความอิสระที่เราไม่ได้ถูกผูกมัดโดยโลก ไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยโลกธรรมหรือแม้แต่ถูกผูกมัดด้วยอุปทานของโลกที่เขา ย, ยึดถือกันยึดถืออย่างน้นยึดถืออย่างนี้ยึดถือยน อ, นยถอย่าง น, น้นอย่าง น, น้ง น, นดีอย่างนี้ไม่ดีสมมุติอย่าง น, น้นสมมติอย่างนี้ไปเราเข้าใจสมมติสัจจะไปเรื่อยๆแล้วเราก็ล้างไอ้สมมติสัจจะที่มันเฟอ้อมันเกินมันโง่มันง่าวมันหลงติดกันเราหุดพ้นออกมาเราจึงเป็นอิสระแท้ เสร็จแล้วเราก็รู้ว่าการมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันคือสุดยอดของสังคมสุดยอดของสิ่งที่ผุดเสริฐที่สุดเป็นโลกของพระพรหมเป็นโลกของพระเจ้าเรียกว่าพรหมจชนแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกันเพราะคนที่เห็นว่าโอโลกนี้มีคนชนิดนี้เออมาอยู่กับโลกนี้มาร่วมกันอยู่ชุนนี้ยังไงยังไงก็อยู่กับคนโลกนี้แหละเขาขัดเขาเขาก็โขเขาสับยังไงก็อยู่มัน จะไปดื้อไปดึงเลยที่นี่เขาปรารถนาดีแล้วเขาก็มีปัญญาและเขามีใจบริสุทธิ์เขาไม่ได้โขกสับคุณเพื่อที่จะเอาลาบเอายศเอาสันเซินเอาการมาะไรจากคุณแม้แต่อัตตาของ ค, คุณเขาก็ไม่อยากได้อัตตาขี้กโลโทของคุ ณ, คณยังเลอะเลอะเถิเเขาอยากได้มันทาอะไรเอามาจทำรือ ก็ตัวเอเพระพเรานี่มีแล้วมีอิสระเสรีภาพรู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ภูมิปัญญาเลือกเฟ้นเพราะงั้นคนเข้ามาเนี่ยที่นี่จึงเป็นคนมาด้วยปัญญาไม่มีการหลอกมาหลอกก็ได้แต่คนโง่อัตมาไม่โง่พอที่จะหลอกคนโง่หรอก ใครอยากหลอกคนโง่ก็หลอกไปดิคุณก็ได้แต่คนโง่เออคนโง่ล้านคนกระหมเอาคนฉลาดคนเดียวดีกว่าสบายดีเพราะฉะันคหลอกคนได้โอ้โหหลอกไปเดินขบวนทำดรามา่าเหยียบเอา ดอกไม้ดอกไร่มาเหยียบกันทำเตะท่าดราม่า ก, กันอวดอ้างหลอกคนทำให้เธออาตมาไม่ได้ม ไ, ม ไ, ด <c oughs> ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเลยคนโง่หลอกคนโง่กันแล้วก็ติดบ่วงคนโง่ด้วยกันไม่ได้งดไม่ได้มหัศจันไม่ได้ลิศยาเขอาอาัยไม่ได้ชื่นชมด้วย <c oughs> นี่นหลอกคนไปหลงโลภโมโทสันกอบโกยสร้างอำนาจบาทใหญ่เบ่งคมคนอื่นหลอกเอาไปกอบไปโกยให้มารำมารวยคนเดียวไม่ลิสยาหรอกคนเบอะบ้าไปเถอะเชิญโง่ไปเถอะอาตมาไม่เอาด้วยชัดๆต้องรู้ให้ชัดและแม่นต้องแม่นต้องคมต้องลึกต้องกว้างต้องครบต้องตรง จัดๆให้ดีๆนะพระบันนี้เราจะมารวมมาร่วมกันเพราะเรามาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเราเกิดความสงบเปิดพีชแล้วก็เราก็ไม่หยุดที่จะสร้างอ f f i c i e n c y เราไม่หยุดที่จะสร้างสมรรถนะนะไม่หยุดที่จะร่วมกันทำประโยชน์บูรณาการเรื่อยไป นี่อะไรอะไรก็มีโครงการขึ้นมาระวังโครงการมันจะมากกว่าแรงงานแย่งกันทะเลาะกันต่างคนต่างดึงคนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาของช่างกับโครงการช่างก็ดีนั้นก็โครงการช่าก็ดีดีใช่ไม่เถียงหรอกมันดีทั้งนั้นนะเพราะว่าทุกอย่างนี้มันเลวทั้งนั้นเพราะอะไรนิดนึงมันก็ดีเพราะคุณยกมาเถอโครงการโครงการนิดนิดนึงมันก็ดีทั้งนั้นนะเพราะมันเลวไปหมดแล้วอ่ะเพราะมีดีขึ้นมาสักนิดสักหน่อยมันดีทั้งนั้นอะ มันดีง่ายจะตายไปออจริงจริงนะเพราะฉะนั้นคนโง่ก็ดียากแต่คนฉลาดมันดีง่ายอตอนนี้เรากำลังจะมาขัดเกลากำลังจะมาตรวจสอบ กำลังจะมาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปรับงานใหญ่งานที่เราจะไปทํากับสังคมก็เพิ่มเติมซึ่งเป็นงานประเพณีนะส่วนงานส่วนในนี่เราก็ทํำไปเรื่อยๆแหละก็ขัดเกลากันเองว่ากันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใครรู้ตัวทันก็ไว้ทันก็ดีรอดตัวใครไม่รอดตัวก็ทุกข์ไปที่ อ, อัดไปที่ยึดไปดีไม่ดีก็กระเด็นกระดอนออกไปข้างนอก เสร็จแล้วก็ไปถูกข้างนอกแต่เอาทุบเอาท้องเอาถีบเอาจุดท้ายก็รู้สึกว่าเอ๊ะเลยเรามาให้เขาถีบทำไมวะเข้ามาเอาขอภายมันเป็นยังงั้นจริงๆคอดูดีเนี่ยอีกไม่นานนักจะถูกถีบเข้ามาทั้งนั้นแหละโลกมันถีบกันมันเตะกันจริง จริงมันไม่ได้มาช่วยกันหรอกแต่ที่นี่มันช่วยกันอย่างเก่งพวกเราก็แค่สันเลขาขัดเกลายไม่ถึงกันถึงถีบถึงเตะอะไรกันหรอกขัดเกลากันนะบางคนมือหนักขัดแรงพอมือโวาสาโคาสามือแรงขัดทีหนึ่งแดงปืดเลยโอ้โหแสปืดเลยนนอะ เพราะงั้นวันนี้อาตมาก็มาเป็นปฐมมดิเทศให้ว่าเอาเตรียมตัวไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรือนิสิตของวอนอบอเท่านั้นประชาชนสมาชิกชาวโสกทุกคนควรมีเวลาก็มาร่วมรวมกันเพื่อที่จะสวอเพราะว่าเราจะต้องแก้ไขจุดอ่อนจุดแข็งของเรา ทั้งนั้นแหละทุกคนนี่ยมาเรียนรู้ถ้าเราได้แต่ปิดบังเราได้แต่ไม่กลา้าที่จะมาเปิดเผยไม่กลา้าที่จะมาแสดงตัวมันก็ไม่รู้ตัวเองรู้บางทีก็ไม่กล้าเปิดเผยหรือยิงตัวเองก็ไม่รู้จนกระทั่งเพื่อนมาพูดอย่างงอนอ้าวใชเ่เราหมักงกอยู่นี่โอ้โหยิ่งห ม, ม, มักหมมยิ่งเน่าในไม่รู้ตัวโอ้โหซวยเขาเรียกซวยอะไรดีอ่ะ ฮะฮะสวยไม่เสร็จฮะสวยไม่จบสวยไม่เสร็จเลยแย่เลยเพราะการที่จะไขตัวเองเปิดตัวเองออกมานะพาอเราไม่เอาตายกันหรอกอ่าไม่เอาตายกันหรอกมีอะไรก็ว่ากันไปทำมันหนักแรงจริงๆ ก็หาทางลงโทษลงทันหาข้อที่จะขัดเกลากันไปถ้า ร, ารักจะอยู่รักจะทำรักจ ะ, ป, ะปฏิบัติประพฤติกันจริงๆแล้วมันไม่ไม่มีปัญหานะยังไงก็ไม่มีปัญหามีแต่สร้างปัญญาอย่างเดียวเเพราะงั้นก็ตั้งใจนะแต่ละคนแต่ละผู้ ให้รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรนี่ตอนนี้อาจารย์ที่จะมาช่วยตรวจสอบตามวิธีการอาตมาไม่เก่งในวิธีการต่างๆแต่หลักการต่างๆอาตมาพอรู้ทั้งนั้นนะเพราะอาตมาเองอาตมาผ่านสังคมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติศึกษาสังคมกับมนุษย์มาทั้งนั้นน้ายจะเป็นศาสตราจารย์จะเป็นศาสตาาจารย์จะเป็นอะไรอาตมาก็ไม่ได้เปดีละอะไรหรอกจะบอกว่าตัวเองเป็นมาแล้วทั้งนั้นก็ไม่ได้ไม่ดีนะ มันก็มาทำหน้าที Crown, dark, it, ่แต e ่ละปางแต่ละชาติแต <Button. S 1> ่ละวาละกันไปทาไปอาตมาก็ทําทำหน้าที่อาตมาพวกคุณก็แบ่งกันทำช่วยกันที่เขามาทำช่วยกันกับเรานี่เขาก็มาทำช่วยจริงๆคนที่จะมาทำช่วยกับเรานะจะมหาลาภมหายอดอะไรไม่ได้หรอกมาเสสละต้องมีน้ำใจเข้าใจแล้วก็มาทำถ้าไม่มีน้าใจไม่เข้าใจไม่มาทําถ้ามีน้ำใจเข้าใจก็พยายามนอกจากจะพยายามนี่นะเขาจะพยายามยัดเยียดตัวเองมา แล้วก็จะได้ข่าถ้าไม่ยัดเยียดตัวเองมาพวกเราก็ไม่เคยได้ได้หรอกเพราะพวกเราไม่เคไปเบียดเบียนใครไม่จะไปขอร้องไปจะไปของอกกาะพูดกันดับยาบไม่ได้ไปที่ยวเซาซีหรืออะไรใครเท่าไหร่ข้างนอกเราได้เท่าไหร่เราก็ทําแต่พอพวกเราที่เต็มใจมีชันตะมีความยิน ด, ดีพอใจแล้วเราก็ช่วยกันไปพรา ะ, ะน้นผู้ที่จะมาช่วยเรยเขาจึงมีน้ําใจจริงเพราะเราไม่ได้ไป เอาลาบยศสันเซินอะไรไปเป็นตัวตอบแทนเขาเขาเต็มใจจะมาเต็มใจจะช่วยถ้าเขาเอาเวลาเอาแรงงานของเขาเนี่ยไปช่วยที่อื่นเขาได้เงินได้ทองได้เกียรติได้ยศได้โลกมากกว่านี้แต่เขาเข้าใจว่ามาให้ที่นี่แหละสิ่งที่เรามีว่าเขาเองเขาอยากได้เนี่ยมันก็คุนเขาแล้วเขารู้ว่าเออนี่มันก็เป็นสิ่งดีที่ที่นี่ เห็นว่าเป็นของดีอยากได้นะเขาก็มีเขาก็ามาให้ที่นี่ดีกว่าแม่ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนการทํางานในระดับนี้เรียกว่าลาเพนะลาพังนิชิคิงสูนิตาไม่ทํางานด้วยลาแปลกลาบคนในระดับไม่ทํางานด้วยลาแปลกลาบนี่ก็เป็นจอบๆเห็นไหมเขาก็ทําเป็นจอบๆนี่คือไม่เอาลาแลกลาบแต่ของเรานี่ทํายาวนานทาวอไงไม่ไม่ใช่จอบๆ เราทำไม่เอาอะไรแรกเลยตลอดเวลาก็ไม่ได้แหลกอะไรมาบางทีขาดขาดแคลนแคลนต้องการเบริกส่วนกลางก็ไม่ค่อยจะให้ไอ้ของเรามันก็ไม่มีอยู่แล้วขอเบอิกส่วนกลางก็มาทำเพื่อส่วนกลางเนี่ยยังไม่ค่อยจะได้เลยบางทีใช่ไมเราก็ไม่ว่ากันตายเท่าไหร่ก็เาเอาเราจะทำอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ครข้างนอกเขาก็ทำจอบๆมาก็ดีแล้วมาทางานเพื่อเสียสละไม่ใช่ลาบแหลกลาบ เพราะคนจะเต็มใจมาใช้อย่างนี้จริงๆก็ต้องคนมีปัญญาเต็มใจถ้าคนสังกตายมาทำไม่สนุกสนานหรอกไม่มีคุณภาพเหยาะเยะแยะๆยะไม่ได้เรื่อง้นราวแต่คนที่ทำอย่างเขามีใจจริงๆโอ้โหมันวิเศษ ม, มันจะมีพลังนะความรู้ยิ่งพวกเรานี่แม่มีภาวะ RESPOND มีภาวะตอบรับกันดีๆตรงนู้น เขาก็ยิ่งมีใจโอ้โหพวกเรายิ่งรับได้ดีโอ้โหเข้าใจดีใจที่ได้รับสิ่งดีอะไรโอ้โหภาวะตอบรับแบบนี้มันยิ่งก็เงินทองเข้าของมันอบอุ่นมันมีกระใจยังมีพลังเลยอะ่ะไม่จะมาให้โอ้โหให้เต็มที่นั่งจืดไปดี ไ, ปดไม่ดีทันไปทําอื่นใชใครมันจะมีกระใจมาให้อ่ มันอันนี้มันเป็นสัจจะที่อาตมาอธิบายเนี่ยมันเป็นสัจจะพูดขึ้นมาคนที่มีปฏิภาณปัญญาก็รู้ว่ามันจ ร, จริงจริงเพราะสิ่งที่จริงต่อทุกอย่างทั้งพิติกรรมด้วยนะพฤติกรรมและทั้งจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่จิตวิญญาณมันอธิบายได้มันเชื่อมโยงเรามาทําระบบตามที่เป็นระบบอันยิ่งใหญ่ระบบพวกนี้พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทํามาทุกพระองค์ทําตามกันแบบคนจนเนี่ย อตอนนี้เราออกไอเนี่ย อ, อ, อฝากบอกไปทางทางเทคนิคของอนบุญนิยมทีวีเราเอาของในหลวงอีกอันหนึ่งเอาเล oss is our gain มาออกสลับบงังเอาออกั้งแต่วันนี้ไปเลยเอา l oss is our gain ขาดทุนคือกำไรเนี่ยเราออกสลับกัน คนจนแบบคนจนก็ทําซ้ำซากมาแยมา ก, มากแล้วทําแบบเอาที่เอาลอสอิสเอาอเวนมันมันมันมั น, ม, นมันชัดขึ้นอีกมันลึกขึ้นอีกมันแข็งขึ้นอีกเอาอ น, นั้นออกมาบ้างออกมาออกมากๆหน่อยตอนนี้เราจะทําตลาดอริยะหรือว่าจะทำเจขาดทุนของเรากลับให้กับสังคมเราก็เอาอันนี้ออกมานะขาดทุน เพลงในโอ้ก็ไดนะ้ขาดทุนก็คือกาไ ร, รอะไรเงี้ยอาร์รอสอีสอกก็ไงเขาลองไปในโอนะ้นั่นแหละก็ามาออกทาจริงสิ่งเหล่านี้อย่างพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยท่านทรงทราบซึ่งหรือว่าทรงเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆนะ ท่านจึงเอามาตรัสเป็นสาธารณะและก็บอกว่าทำสิแต่คนก็รับลูกไม่ได้รับลูกไม่เป็นทำไม่ได้เราทำได้ในภาคภูมิใจเถอะนะเราเป็นคนไทยที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันกับในหลวงของเราเลยอยู่ในตระกูลเดียวกัน ดีเอ็นเอเดียวกันแลย <c oughs> อยู่ในดีเอ็นเอเดียวกันคือมันเป็นสิ่งเดียวกันเข้าใจกันแล้วก็ประพฤติเป็นอย่างเดียวกันนะท่านเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมตามฐานนะซึ่งอะไรอย่างนั้นนะทุกอย่างกาย การสังขารจิตสังขารวาจีสังขารทั้งก็ต้องทําตามที่ความเหมาะสมที่ท่านเองท่านต้องทรงไว้ธระต้องส่งไว้ธระหรือธรรมะต้องทรงไว้ให้พอเหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องลึกเรื่องละเอียดไอ้ความเหมาะสมที่มันจะทุกจัดสัดส่วนได้พอเหมาะสมเนี่ยยากไปหน่อยในโลกนะ เลียว่าสมณสารูปเด็กภาษาวิชาการของพุทธเจ้าเรียก ว, าาามมยกวสมณสารูปไม่ไม่ใช่ง่ายๆที่จะทําสมณสารูปให้พอเหมาะได้สัดส่วนที่เป็นมัตตัญญาตาเป็นการประมาณเป็นการจัดสัดส่วนที่ได้สัดส่วนที่พมเหมาะทุกอย่างเลยเหมาะกาลัญญุตา โอกาสออกอะไรโอกาสออกนะนะที่เรากำลังจะทำสวอร์ตกันเนี่ยการันยุตตาออปกนิตี อ่าอ uh. ัพจูนิตี้ที่เรากำลังจะจัดทำอยู่นี่เป็นการันตุตาโอกาสด้วยเวลาการละที่เหมาะสมซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยโอกาสนั้นจะต้องทำอย่างไรไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนโอกาสนี้เราทำนี้กับบริษัทนี้กับกลุ่มนี้กับบุคคลนี้กับสิ่งที่มันมีรวมอยู่เป็นองค์ประกอบขนาดนี้ อันนี้คนนี้ขนาดนี้ระดับนี้เป้าหมายเราเอาแค่นี้จุดเนื้อหาเป้าหมายเอาแค่นี้นี่คนกลุ่มระดับยกฐานะขึ้นมาสู่โสดาบันนี่เขาอยู่ในโลกอบายมุกยกแค่นี้เป้าสําคัญอินเทรสพอยของมันเราก็เอาแค่นี้จุดเป้ามันของมันโก้ของมันอะไรอย่างนี้เป็นต้น แลรู้จุดรู้สำคัญแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรียกว่าธรรมะธรรมะคือทุกทิงทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบอยู่ ท, ท, ทั้งทที่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นบริบทเป็นปริเฉตอะไรก็แล้วแต่ทั้งนั้นเนะีนะ่ยปริเฉดนี่อะไรนะ chapter uh, ปริเฉดนี่เขาบอก chapter แต่ละบทแต่ละบท uh, ถ้าบริบท context ไปเรียกเอาที่จริงบริบทนี่แหละมันบริบทกับบริเฉดมันผสมกันอยู่ไอคอนเทนที่บอกว่าสารบัญนนะั้นมันรวมอยู่นั่นนะในสารบัญเนนะี่ยคือมันแยกยากนะ ในบทมีสารบัญในสารบันมีปริเชตใช่นะหไหมที่มันสลับไปสลับมาแชปเตอร์ไปเรียกบทในบทหนึ่งมันมีต้าไม่รู้กี่ปริเชตนะเอาละประเดีจะไปชเวลาไปอธิบายพระ น, น้นไว้ค่อยทําความเข้าใจเจาะก็หาเนื้อที่เรากําลังจะทํากันพวกนี้ก่อน เราศึกษาเนี่ยเราศึกษาเพื่อที่จะทำความจริงทำของจริงทาเรื่องจริงให้มันมีจริงๆเลยนะมันไม่ใช่เพอ้อฝันมีแต่ทฤษฎีมีแต่โครงสร้างมีแต่รูปธรรมมีแต่เด e ลิสตมีแต่เรื่องจินตนาการเรื่องมโนตนนี้สับ สแสดงเงาใ้ว่าโมโนอะไรก็มีแต่โมโนมโนแสดงอยู่ในใจคิดได้จินตนาการอยู่ง น, นั้นน่ะไม่ออกมาเป็นสัจจริงว่าแล้วมันเป็นได้จริงไหมแล้วมันเป็นไหมมีไหมอะไในโลกขงคนงเรานี่ต้องใช้ไหมอ ย, อย่างเงี้นะมื่อเราจะต้องเอาของจริงที่มีจริงเป็นจริงแล้วกําลังเหมาะคมในขนาดนี้ออปปอร์ชุนิตี้เนี่ย มันกำลังเหมาะในขนาดนี้และมันก็ไม่แน่สำหรับที่นี่มันก็ยังนี้โอกาสนี้ของที่นี่องค์ประกอบองค์ประชุม อ, องค์รวมะจะเรียกว่า whole concept ก็ได้ถ้าเป็นนามธมาทําก็เรียก concept ถ้าเรียกรวมทั้งหมดก็เรียก holistic หรือองรวมอะไรก็แล้วแต่ the whole ตามใจ ภาษาบาลีก็เรียกกายกายะและในกายะเรือเลยในองรวมเนี่ยมันมีทั้งคนมันมีทั้งวัตถุมีทั้งทุกอย่างมีทั้งนามธรรมา ท, ที่ในตัวคนด้วยนัเรียกว่ากายะทั้งหมดองรวม the whole หรือ holistic เนี่ยแต่มันรวมมันทั้งหมด เราเรียนธรรมะมันก็เรียนสัจจะที่โลกเขาเรียนนั่นแหละแต่เขาไม่เข้าถึงนามธรรมขนาดที่เรากำลังเรียนกันที่เราเรียนนี่เรารอนามธรรมกันไปด้วยแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงจริงเลยว่าฟิโนเมนอนมีปรากฏการณ์จริงมีปาตุสัจจะภาษาบาลีว่าปาตุสัจจะหรือปาตุภาวะมันมีของจริงอันนี้ปารากฏ สิ่งที่ปรากฏปาตุในสิ่งที่ปรากฏมันมีจริงหรือฟิโนเมนอนเนี่ยมันมีสิ่งที่ปรากฏจริงสะพัดได้ทั้งนามมาทำเพราะเราได้รู้เข้าไปถึงนามมาทำเราสะพัดนาำ ม, มาทำได้ไม่ใช่มีแต่รูปธรรมแต่ทิ้งรูปธรรมก็ ไ, ได้เพราะมันต้องมีองค์ประกอบจะเราจะทิ้งก็หมายความว่าเราเองเราไม่ต้องใช่ละเราเกิน กินที่เราจะเอามาใช้เราก็ไม่เอาแล้วก็เอาสิ่งทีพ่พอดีมาตามเหตุปัจจัยตามกาละตามความจำเป็ น, นเพราะงั้นการศึกษาของเราที่จะเป็นฟิโนมินโลยีเป็นการศึกษาปรากฏการวิทยา ที่อาตมามั่นใจและมุ่งมั่นเดะมุ่งมั่นว่าพวกเราต้องทำไม่ได้ทำไม่เป็นของเราจะเรียกพวกพวกเรานี้ว่ามหาวิชารามเราไม่เรียกมหาวิทยาลัยใครจะว่าแอคก็ตามใจต้องแอคเขาจะว่าอวดก็อวดแอคไมมแอคอวดไม่อวด ก็พวกคุณนะ่ยแอกด้วยอวดด้วยกันสิ่งที่มีกันหน่าอวดเลยคุณก็อวดไม่น่าแอกเลยก็แอกเช่นคุณเองนะ่ยคุณหลงกามหลงรูปรสกันเสียงสัมผัสหลงสวยหลงงามคุณก็ามาอวดกันโชว์กันสวยงามมันก็คือรูปเกินเฟอ้อแล้วมันจะเป็น ง, งามขนาดนั้นก็ได้สะอาดสะอา้านก็พอแล้ว ทำไม่ตายมันก็ไอแขวนั้นเนี่ยคุณกอ็อวดกันโครมมุมโครมสนับสนุนกันโครมมุมครมอวดจะตายคุณอวดรวยกันอวดจ้างจะมีเงินที่จะซื้อจะหาจะเอามาอวดมาอ้างมาอะไรแต่รดนะคมเบงเขามีเงินจ่ายเยอะเยอะะยะคุณก็อวดจะตาย พอเขาจะเก็บภาษีก็บอกไม่มีกระมิดกระเมียนปิดบังโกหกเอาไปฝากคนใช้เอาไปใส่บัญชีไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ไม่หมดแล้วโลกไปทำไหมเสร็จแล้วก็มาอวดมาอ้างโอ้โหสารพัพมันซับซ้อนกลับไปกลับมาเยอะแยะเลยมันคุณอวดสิ่งที่คุณไม่น่าอวดเลย การย้าชาเสพรษรุนแรงเศรษแขุ่งเอาชนะค้าคาร์ไปดีใจกับไอ้ผู้ชนะเขาเท่านั้นเองแทนที่จะไปรับใช้เขาเปล่าไปคมเบงเขาเอาเก่งไปเอาเปรียบเอาเก่งไปเอาลาบเก่งทีก็ได้ราคาแพงเดี๋ยวนี้เก่งราคาแพงเตะเก่งทีเก่ ง, ท, กงทําลายหน้าตาก็ตก นอกหมัดเดียวตายได้เงินมากยิ่งได้เงินมากจะบ้าเลอโลกเนี่ยไปจ่ายไอ้คนที่มันยิ่งทําร้ายสังคมยิ่งทําร้ายผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นกอบโกยจากผู้อื่นได้มากๆแล้วก็ไปส่งเสริมยกย่องแล้วก็ปล่อยให้อวดอ้างไอ้ทีคนมามากน้อยเส้นดูเสียสละช่วยเหลือเฟือฟ่องฟายมันอวดตัวมันอวดตัว ขออภัยเธอต้องขอพูดเป็นไทยแล้วมึงอวดตัวแล้วเปล่าว ะ, ะใช่ไหอาตมาขออภัยอาตมาพูดหยาบล้ำหน้าคุณประยุทธ์ไปแล้วอย่าเอาตามอาตมาเลยอาตมาขอขออภัยพูดในีมันชัดๆถึงถึงะ บางคนก็ก็มาทำเป็นว่าเอาความรู้สึกเหนียมมันนั่นมาให้เราเหนียมที่คุณไม่เหนียมเลยหน้าด้านหน้าทนและคุณจะมาให้เราเหนียมมันเอาเปรียบกันนี่หว่าเมื่อเองไม่เหนียมข้าก็ไม่เหนียมวะ <laughs> ทำมา <laughs> มีอะไรมะมนี่แหละโลกเขาชอบปรุงแต่งรถ ร, ถรถอย่างเงี้ยรถปรุงแต่งมันอร่อยดี เ, เพราะงินก็คุณอะไรไประยูนจัญญาวง ถึงได้บอกสับ ป, ปดนิดนิดสับปดนวลนิดที่ต้องจำใส่นี่แหละอย่างนี้สับ ป, ปรดรวะละนิดอาตมาก็ไม่ทําบ่อยนักหรอกว่าสับ ป, ประรวะลานิด <laughs> มันก็สับ ป, ประรดเหมือนกันนะพูดพูดมันหยาบมันแรงก็สับปดนบ้างใช้เมื่อเวลาจําเป็นก็เนี่ยจำเป็นใช้ไม่ได้ใช้พรมเปลือไม่ได้ใช้เพราะว่าเออมันอร่อยใจดี ทำล้มันมันดีทำแล้วมันก็ติดที่เราจะต้องทำมันไม่ใช่ทำเพื่อนำมาใช้ปรุงแต่งมาใช้กับการสื่อมาใช้กับการจัดการจัดงานทำงานเพื่อให้มันเกิดเกิดรถที่เขารับได้เกิดรถถึงถึงอะไรก็แล้วแต่อ่าเป็นบางครั้งบางคราวไม่จะได้ทำทำเพล่อเกินไปน เรารู้จักการใช้เรารู้จักการกําหนดหมายในสิ่งที่ต่างๆที่เราจะรู้ทั้งขนาดทั้งอะไรต่างๆนะี่คือสัพริสธรรมเจ็ดประการรู้จักการประมาณรู้จักรายละเอียดของทั้งธรรมัญญาตาอัฏฐัญญาตานี่คืออัถฐก็คือเนื้อหาหรือเป้าหมายธรรมะก็คือองค์ประกอบทั้งหมดวราในองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยขนาดไหนก็แล้วแต่ที่จะกาหนด มันยืดยุ่นได้ทางที่พูดไปแล้วมทีทั้งคนคอนเซปคนเทนคนเท็กซ์อะไรพวกนี้แหล ะ, ะที่เราคอนแทคอยู่เนี่ยแล้วมันก็มีคอนทราสต์กันอยู่เนี่ยนะน ะ, ะมันคอน t ิ n นีตอนนี้มันอยู่ในขณะคอน t ิ n นีเนี่ย แเ้าก็มาจัดการแก้ไขปรับปรุงเพื่อทำให้มันเกิดผลทั้งสังเคราะห์ทั้งสังขารทั้งขัดเกลาวทั้งเอาออกทั้งรวมทั้งเอาออกทั้งรวมกันอะไรที่ควรเอาออกก็เอาออกอะไรที่มารวมก็ควรรวมกันให้มารวมกันเข้ามานี่คือวิธีการเนี่ยสรุปมันได้แค่นั้นนะ่ะเราจัดการก็จัดการอย่างนี้แล้วต้องมีภูมิรู้ด้วยว่าอะไรควรเอาออก อะไรควรเอามาผสมมารวมให้มันแน่นมันจะมีผัดมีปัญญาเข้าใจจริงๆแล้เราก็ทำอัตมาว่าเพื่อเราตั้งใจนอกจากตั้งใจแล้วก็มีฐานะะฐานะที่อยู่ในฐานะพอสมควรเรียกฐานะตามศัพท์พระพุทธเจ้า ก, ก็เรียกอาริยะ เขาเรียกอริยะเขาก็เรียกแต่อัตมาไม่เรียกด้วยไม่ต้องขยายความแล้วทําไมมาเรียกอริยะอยู่ในฐานะอริยะเพราะเป็นผู้รู้องค์รวมรู้กายและจัดการอง์รวมตั้งแต่เราอยู่ในขอบเขตของเราแล้วเราก็เลื่อนฐานะของเราเข้าไปหาองค์รวมที่มันดีขึ้นหมู่กลุม่มหรือองรวมนะั่นคือหมู่กลุม่ม คือสงคือกลุ่มคือสงอะไรเราไม่รวมแล้วเรียกว่านิกายอันนี้ไม่ใช่สงของเราแล้วนิกายไม่ใช่องค์ประชุมไม่ใช่องค์ประกอบที่เราควรจะต้องมันนับร่วมรวยเขาก็คือเขาแล้วตัดกรอบเลยว่านิกายไม่ใช่กายไม่ใช่องค์ประชุมไม่ใช่องค์ประกอบไม่ใช่องค์รวมของเรานิกายเราก็รู้จักกายรู้จักองค์รวม นะรู้จักกรอบของมวลซึ่งมันเป็นปัญญาและเราไปแบ่งเขตเขาไม่ได้ตอนนี้เขากําลังจะรวมหรือเขากําลังจะขยายก็ไม่รู้จะรวมเอเชียนจะรวมเอเชียนที่จริงมันไม่ใช่จะรวมเอเชีย น, นะ น, นมันกําลังจะขยายแรงแรงเพื่อจะไปรวมรวมแรงมาเพื่อจ ะ, จะเอาแรงนี้ไปตีคนอื่น จริงนะอาตอมาว่าเขากำลังรวมแรงอันนี้เพื่อจะไปตีแรงอื่นคือรวมแรงอันนี้เพื่อที่จะไปไปสู้กับยุโรปไปสู้กับอเมริกาพูดชัดๆก็คือรวมเอเชียไปสู้เอเชียนเนี่ยไปสู้กับยุโรปลึกๆอ่ะเห็นไหม เห็น potential ั้ยเห็นสิ่งที่แฝงไหมนเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าคุณจะรวมก็รวมการรวมมดีแต่ต้องเข้าใจกันนะไม่ใช่รวมมาแล้วก็คุณก็พวกทุนนิยมมันก็รวมรวมมาทำไมรวมเข้าข้อเพื่อจะจรีดได้แล้วก็เอาประโยชน์จากมัน คนที่ทารุณที่เห็นได้ชัดที่สุดที่เป็นรูปธรรม ท, ที่สุดคือซ p พีเอาไก่มารวมมีวิธีรีดจากไก่หนึ่งรีดเอาไข่สองสี่สิบห้าวันค่านี่คือสูตรของเขาเอัมหิต ท, ที่สุดเอาเปรียบที่สุดไก่แม้แต จะไปเดินนั่นมานี่มันยังมีเดินไม่ได้เลยนี่คือวิธีเอาเปรียบที่เลวร้ายที่สุดเห็นแก่ตัวมากที่สุดแล้วเขาได้ผลมากตามที่รู้จักหลักการของทางวิทยาศาสตร์เขาวิทยาศาสตร์มาจัดสรรแล้วเขาก็ทําโดยไม่รู้จักความเอาเปรียบไม่รู้จักความทารุณไม่รู้จักสิ่งที่มัน เลวร้ายที่เขาทําระบบของซีพีที่ทําเขาร่ํารวยเพราะเหตุนี้เขาได้ไข่วันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านลูกแต่เขาก็ได้เนื้อไก่ส่งออกนอกไม่รู้กี่งวดหนึ่งงวดหนึ่งไม่รู้กี่ล้านตันเนี่ยแต่มาสรุปไม่ฟังย่อยๆอื่นๆ อ, อ, อ, อีกเยอะแะพูดแค่นี้คือตัวอย่างเท่านั้น ไม่ต้องพูดไปถึงคนค่าน้ำเมาคนค่าบาบาบออะไรทำลายโลกทำลายสังคมเอาซ่อนแฝงไอเรื่องของอบายมุกต่างๆการพนันการะเล่นไอการะเล่นเนี่ยยิงบันเทิงกับการลเล่นเนี่ยิ่งโอ้โหมันเป็นอบายมุกที่สุดยำฉาที่สุดแล้วแต่เขาก็ไม่เข้าใจกันเพราะงั้นพวกเรารู้ก่อนรู้ รู้ตัวรู้ทันมาช่วยกันเราไปลงโทษก็ไม่ได้หรอกคนโง่คนไปโกรธคนโง่โง่กว่าคนโง่คนไปโกรธคนบ้าบ้ากว่าคนบ้าคนไปโกรธเด็กเด็กกว่าเด็กจริงมันต้องเห็นเออเขายังไม่เข้าใจ เขาไม่รู้โง่เออเขาไม่ค่อยเต็มเต็งบ้าเออมันยังเด็กเราก็ต้องเข้าใจพวกนี้เราเรียกว่าภาษาพระท่านเรียกว่าพานพาระพอสอ พ, พอพานสละอาลอลิงคนยังอ่อนยังเยาวยั ง, งโง่ยังรุนแรงยังเละเทะยังเกเรเรียกว่าพานคนที่ยั ง, งโง่ยังทำเสียทำผิดอยู่ สับของพระเจ้าคือผ่านผ่านชนพวกก็้องเข้าใจใครที่ผ่านหนักๆ ห, กหก ย, ยาบๆชัดๆเนอเราก็บอกอันนี้ตัดออกจากเขก่อนคนล น, นิกายแล้วนะขเรานี่พวกนี้เนี่ยร่วมกันได้เรียกว่าสังวาสเดียวกันแปลว่าร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ได้ว่าสังวาสเดียวกันพวกนั้นตัดพวกนิกายในพวกอสังวาสพวกไม่ต้องมาร่วม อะสังวาสไม่ต้องมาร่วมกับเรายิ่งมาทำชั่วทำเลวกับเราด้วยแล้วถือว่าปาราชิกแล้วไปเลยอะสังวาสพวกอสังวาสนี่รุนแรงที่สุดปราชิกหรือคนที่จะไปครบเลยพวกนี้ผ่านแท้คนชั่วคนโง่คนเกเรคนเยาคนอ่อนคนไม่รู้เรื่องอยังพูดไม่รู้เรื่องทำอะไรช่วยไม่ได้หรอกปล่อยไปก่อน ให้เขารับวิบากไปเป็นชาติชาติไปเพราะฉะนันจากพานหรือว่าจากปราชิกมานิกายคือคนที่มันมีกลุ่มหมู่อยู่แต่กลุ่มหมู่พวกนี้ก็เขาก็พยายามภาคเพียรทาดีอะไรก็ตามใจเถอะไอ้พวกปราชิกเนะี่ยเป็นพวกชั่วไม่ไม่งอกไม่เงยทิ้งไปพวกนิกายก็ปล่อยเขาก็อาจจะมีวังดีทำดีบ้างต่างมาจากนิกายก็มานานาสังวาด น่อะอังวาดแล้วก็มานานาสังวาดนา่นิกายอังวแลวมานิกายและมานานาสังวาอสอังวดนิกายนานาสังวาสนานาสังวาสคื อ, อเราร่วมกันได้บางส่วนแต่มันมีความแตกต่างกันนานายังร่วมกันได้พร้อมที่จะมาถึงการสมานสังวาดจะเข้ามาร่วมกันได้เลย นานาสังวาสมีโอกาสที่จะมาร่วมกันได้นิกายร่วมกันไม่ได้แล้วอสังวาดนั้นตายกันเป็นชาติไปเลยไม่ต้องพูดนิกายยังมีโอกาสถ้ายังไม่ตายแต่ก็ห่างกันนานาสังวานานาสังวาใกล้ที่สุดแล้วค่อยมาสมานสังวาสวาสังวาก็ร่วมกันได้เลยอย่างพวกเราเนี่ยพวกสมานสังวาส ทำร่วมกันอะไรอะไรร่วมกันนะใครจะพรมมทันก็พรมมาทันก่อนพรมมทันเนี่ยเป็นขั้นตอนระหว่างที่เตรียมของนานาสังวาพรมมทันเตรียมปล่อยให้คุณรู้สึกตัวเ อ, เองอยู่ในหมู่ีนกลุ่มได้ไม่แยกหมู่แยกกลุ่มแยกหมู่แยกกลุ่มก็นานาสังวาสแต่มีสิทธิ์ที่จะมีสิ่งร่วมกันแต่หลายอย่างไม่ต้องมาสังคะ มาทำร่วมกันสังฆกรรมไม่ต้องมากระทำร่วมกันไม่ต้องมาสังฆะร่วมกันคนละทฤษฎีคนละระบบคนละแบบเอาทําไปต่างคนต่างทฤษฎีต่างคนต่างแบบต่างคนต่างหลักเกณฑ์ก็ต่างคนต่างทําถ้าใครจะมาร่วมกันมาเข้าหลักเกณฑ์ของเราเพราะหลักเกณฑ์ของเราก็จะมีการคัด อย่างของพระเจา้านี่เดียร์ีมาจะต้องมาอยู่เท่านั้นเดือนเท่านี้ปีอะไรก็แล้วแต่ของเราก็มีเหมือนกันจะต้องทําอย่างไรอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องมีเป็นหลักเกณฑ์เพราะงั้นมาอยู่ตามหลักเกณฑ์เราได้จากน า, นานาสังวาสมาได้นิกายก็ได้ถ้านิกายกันก็มีวิธีเหมือนกันเอาละเดี๋ยวก็จะขยายความมากเกินไปนะส่วนอาสังวาสนั้น ไปเปิดคนลชาติเลยชาตินึงเลยเพราะคนปลาชิกนี่ปล่อยให้ตายเป็นหนึ่งชาติชาตินี้ไม่ร่วมเอามาร่วมด้วยเลยคนปลาชิกหมดไปชาตินึงเพราะคนที่เป็นสมือคนปลาชิกแล้วเนี่ยในขณะที่เรากำลังบอกความรู้กันอยู่เนี่ยถ้ามาในกระแสะที่จะรับรู้ฟังได้ยินหยุด เอาคนเนี่ยหางออกไปก่อน อ, ออกไปนอกก่อนไม่ให้เลยเขาจะค้นควายเอาเองเรื่องของเขาถ้าเรารู้ว่าเขามาเกี่ยวก็เราไม่ให้ปิดประตูดุเดือดได้ยงั้นนะปะละราชิ่แต่เดี๋ยวนี้มันย่อหย่อนมันเสียหายหมดเลยคลุกคลีนปนเปะเละเทะเหน่าในเน่านอกโอ้ไม่รู้จะว่าไงเสียหายหมด เพราะฉะนั้นกเราต้องประกอบกูมาช่วยกันสิ่งที่มันแนาๆเถอะๆเนี่ยมันรูปเป็นรูปปรางขึ้นมาขนาดนี้อาตมาก็ว่าดีแล้วนั่นก็เป็นไปได้นะมันมีเครื่องยืนยันพิสูจน์อยู่เพียงว่ารูปธรรมที่เราดูแล้วเนี่ยเอามาตรวจสอบกับของพระู้เจ้าเข้ากับหลักขาเกณฑ์ไหมหนึ่งสองใจเราเนี่ยมีปัญญาเห็นไหมว่าเออนี่ดี สองเห็นแล้วทำได้ไั้ยถ้าทำได้แล้วมันสงบทำได้แล้วมันก็ไม่ฝึกไม่ฟื้น ไ, ไม่หนักไม่ร้อนไม่วุ่นเยน็นสบายมีความเข้าใจมีความยินดีมีความสบายใจพอใจอิ่มใจมันมีอย่างที่ว่านี่ไหมถ้ามีอย่างที่ว่านี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วเราก็จะมีปัญญารู้ด้วยว่าเอ๊แล้วเรามาจนนี่จนอย่างที่เราจนเนี่ยเป็นคนจนแบบนี้เนี่ย มันดีหรือไม่ดีกันแน่มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานมีปัญญามีปรัชญาไหมมันมีเรามาจนแต่เราไม่ได้ขี้เกียจนี่เราจนเราไม่ได้จะไล่สมรรถนะไม่ได้ได้ความรู้ความสามารถไม่ได้งอมืองอเท้าขยันมันเพียนมีความค้นขวายมีความอุตสาหะวิริยะด้วยแล้วเราใช้ความอุตสาหะวิริยะมากนะเพราะว่ามันต้องทํามันไม่ค่อยพอ คนพ l านกับคนโลภมันเยอะคนพลานกับคนโลภเนี่ยมันเยอะเราจรึงทำอุปทานไม่ค่อยพอไม่ค่อยทัน supply support ไม่ค่อยทันเพราะมันพ l านและมันโลภกอบโกยยักไว้เยอะไอ้พวกเราเนี่ย ไม่ยักไว้แล้วสร้างให้มันยังไม่เคยจะหมุนไม่เคยทันนะมันขี้โลกคนแอบไปโลภแอบจะโกยอยู่จะเพิ่งพืมันจึงหนักใครที่เห็นว่าเอาลนะ่ะเต็มใจหนักไม่ได้หลอก น, นั่นนี่รู้ว่าหลอกก็เลยเต็มใจให้หลอกไม่ใช่นะไม่หลอกเลย น, นี่นี่พูดจริงนะความจริงถ้าเต็มใจจะ ถูกนัดไม่ใช่ถูกหลอกไอหลอกก็ถูกเต็มใจให้หลอกไปเลยที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่หลอกมาที่นี่บอกว่ามันนักไม่ได้หลอกมาที่นี่ที่งานเบาไม่ไม่ไมีได้ลาบเยอะนะยศใต้สูงนะประมด้วยกามนะรูปรสเป็นเสียงสัมผัส อุ้ยเต็มไปหมดนะไม่มีหลอกนะบอกจริงเลยซึ่งมันซื่อสัตว์ตรงนะมันไม่ได้ไปหล่อหล่อรับรับเรียวเรียวลดครโคตรค้งโคแบบนี้เปร่งถูกหน้าแงเลยเปร่งถูกหน้าแงเลย ผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้ถ้าผู้เจ้าตรัสไว้ทั้งนั้นนะ่ผู้ไม่มีมรรคผลทนไม่ได้จริงๆจริงโอกาสนี้โอกาสนี้อัตมาว่ามันเป็นโอกาสกาลัง รุ่งอรุณแห่งคุณธรรมอาตมาจริงๆลึกๆนะอาตมายังนึกว่าเมืองไทยเนี่ยคนรู้ตัวผู้ที่หวังดีต่อความดีงามมีไม่น้อยและเขา ก, กาลังตื่นตัวเขากําลังเตรียมตัวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณตูเนี่ยนะจริงใจและทาจริงเลยนะอาตมาว่าจะมีผู้ที่ คอยทีอย่างนี้อยู่เนี่ยจะเข้ามาร่วมมืออีกเยอะเลยทั้งคนอายุมากและอายุน้อยก็แล้วแต่เถอะคนอายุปานกลางที่เตรียมพร้อมภาระตัวเองก็น้อยแล้วลูกเต่าโตไปหมดแล้วแก่แล้วด้วยเราเองพร้อมที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือมีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ย น, นะ สังเกตอย่างนี้สังเกตว่าจะมีคนอายุมากแต่มีความมีความรู้ความสามารถและประวัติดีถ้ามีคนแก่ที่มีอายุมากนี่แหละมีความรู้ความสามารถมากและประวัติดีเนี่ยมาช่วยคุณตูมากๆไปรอด ขออภัยอัตมายังไม่หวังคนหนุ่มคนสาวยังไม่หวังเพราะยุคนี้ต้องยุคคนแก่คนก็จะบอกว่าตรงนี้ยุคนี้มยุคคนหนุ่มคนสาวคุณก็เห็นไปเห็นต่างกันอัตมากลับเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคคนแก่ที่รอจังหวะมานานแล้วยังคุณตูเนี่นะนะ ไม่ใช่ตูนันทิดานะแล้วก็จะไปคิดถึงตูจจตุพรนะยิงไม่ใช่ใหญ่เลยคุณตูจจตุพรว่าคุณตูคุณตูประยุทธ์เนี่ยอายุกำลังอยู่ในวัยกลางหกสิบนี่แหละคือวัยที่มันต้องใช้อันนี้ที่จริงมัน อย่างตะวันตกก็บอกว่าเริ่มต้นหมด40่สิบแต่ของเราเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้ก่อนและค่อยๆเลื่อนแล้วมันจะเลื่อนจากหกสมาห้สิบสี่บสมมันจะค่อยๆเลื่อนอันนี้ก็เป็นอจินไตยที่อาตมาว่าเออมันก็เป็นเวลาอาตมาจึงมาเริ่มต้นอาตมาว่ามารู้ตัวว่าเอออะไรอะไรมันก้าอาตมาเห็นว่าอาตมาย่างเ้า8ปดสิบเนี่ยกำลังเริ่มตอนนี้ มัน ย, ย, มย่างเขาแปบเอแล้วย่างเขาแปบเอแล้วอะตรมาเห็นทีอ๋อมันยุคนี้เองยุคนี้เองนะยุคนี้เองพระคุณตู่ก็กำลังย่างหกสิบเอ็ดังย่าง61 อิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยที่อาตมาก็มองมองอ่านอ่านดูว่าเออมันเป็นอะไรแต่อะไรต่างๆนั่นน้ามันกำลังดีเลยนะก็บอกให้รู้ตัวพวกเราก็ช่วยกันนะอาตมาเห็นเหตุปัจจัยพวกนี้โดยที่เร า, าไม่ได้งมงายอะไรเห็นปัจจัยและเหตุปัจจัยเหล่านี้อาตมามองออกหลอกเลียนไม่ได้นะ ไม่ใช่ยุคของคุณไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่เหตุปัจจัยของคุณคุณยังไม่คิ้ตูนะถ้าตูนี้เป็นเนื้อตูระดีระขี้ตูแล้วไ ม, ดออนะไม่ดีต้อเอาเนื้อตูหรือใจตูนะอย่าไปเอาขี้ตูขี้ตูมันของผิดต้อเอาเนื้อตูหรือใจตูแท้แท้นี่ถ้าไม่ใช่แล้วอย่าไป เราเตรียมเจียมตัวไว้อาตมานี่มันก็เป็นบารมีนะอาตมาในชีวิตนี้ไม่ผีพลาลมนะไม่ผีผาลามาไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนไม่ขีดตัวขี้ตัวกลางนะคิดตาตุกแกบอกโอยอันนี้ใช่เราอันนี้ใช่เราอันนี้ใช่เราอันนี้ใช่แล้วอันนี้ตรงอันนี้แหละใช่อันเนี้ยอาตมาต้อง เนวะภาษาบ า, าลีทะเลว่าเนว ะ, ะภาษาอังกฤษเขาว่า g n o นออยู่นะอิกนอมันไม่ใช่ไม่รู้มันจะรู้ก็ไม่ใช่มันจะไม่รู้รู้จะบมันเนวะองพรเจ้า ในในลักษณะที่มันยังไม่สมบูรณ์มันจะเนวะไปหาที่มันไม่ไม่รู้แต่ถ้าเพราะว่ามันเข้ามาหาทางดีแล้วเช่นเนวะสัญญานาสัญญานี่มันจะท่วมแล้วมันจะเต็มแล้วแต่มันอยู่เหลืออะไรนิดหนึ่งมันไม่รู้อยู่นิดหนึ่งเนวะมันไม่รู้อยู่นิดหนึ่งเพราะคำว่าเนวะนี่แปลยากมากเลย ใช่ปฏิเสธวันรับปฏิเสธด้วยปฏิเสธปฏิเสธความปฏิเสธด้วยปฏิเสธรับปฏิเสธด้วยทั้งปฏิเสธทั้งรับอยู่ในตัวเพราะทําไปใช้ที่ไปใช้เนวะนี่อยู่ในอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยากนะ มันจะเพิ่งไปคิดตูข้อสำคัญก็เพิ่งว่าตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันกันไปก่อนอย่ารีบร้อนเท่านั้นเองอย่าไปตีทิ้งเรียกว่าร่วมเป็นไปด้วยอย่างระมัดระวังร่วมด้วยอย่างระมัดระวัง มันเป็นยุคที่อาตมาว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยและเหตุปัจจัยต่างๆอาตมาก็ว่าแล้วตอนนี้มันเป็นยุคหรือว่าเป็นช่วงเป็นโอกาสเป็นโอกาสถี่เป็นกาละกาละที่กําลังอยู่แอตรากกําลังจะ ก, ก้าวหน้าอาตมาเห็น เ ะ, ะนั้นถ้าเผว่ามีแรงช่วยกันเราเองเราเหมือนกับมดมันเหมือนกันหนูจะช่วยราชสีอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำเราไม่ได้หลงตัวเราว่าเราไปเป็นราชสีไปเป็นช้างม้างูตัวใหญ่ตัวโตอะไรไม่ใช่เราเล็กๆแต่เราก็ทำเต็มที่ของเราเท่าที่เราพอได้เพราะฉะจึงต้องอ่อนน้อมถมตนเป็นคนรับใช้ไปทำไปนะจะพึ่ง อาขาภาวะผิกอาการอย่างหนึ่งคืออยากใหญ่อาการอยากใหญ่เนี่ยระมัดระวงังมากๆเลยไอคนที่ทำใหญ่แล้วไม่รู้ใหญ่เนี่ยแล้วมันฟามแล้วมันเลอะเทอะไปมากใหญ่เช่นทำานากเกลียดใหญ่เลยนะเขาอวดกามออกใหญ่เลยโอโ้เจ้าพระคุณเขาไม่รู้ตัวนะ อุดความสุรุ่ยสุร่ายทำลายเอาดอกไม้มักขยี้เลี้ยงให้คนเยียบอีกด้วยนะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นต่างๆนานาสารพัดเพราะเาก็คนไม่รู้ก็ทำไม่รู้อย่างนี้ทำไป อวดอ้างความใหญ่เพื่อให้คนหลงความใหญ่ถ้าอวดอ้างความใหญ่ให้คนยินดีในความใหญ่นี่โง่แล้วจะต้องบวชล้านรูปบวชไปทําไมวะเอาศัสวะมาบวชกันคนบวชมันต้องคัดเลือกต้องเฟ้นอันี้ไปจ้างมาบวชอีกด้วยไปล่อมาบวชอีกด้วยจะบ้าหรือเปล่าเอาขยะ มากองตัวโตแล้วก็อวดแล้วก็วาดรูปเอาสีทพอกทาข้างนอกแต่ที่แท้เนี่ยเอาขยะเอากองเน่าเาของเน่ามาหุ้มแล้วก็อวดคนนี่หลอกคนอย่างนี้เห็นหลงว่าความใหญ่เท่านั้นเป็นเรื่องเอาความมันซ้อนคุณเอาความรู้ลามากมายใหญ่โตมาหลอกความให้คนยินดีแล้วคนไปยินดีไปหลงไหลในความรู้ลามากมาย โง่ซ้อนโง่กันแล้วไอ้คนหลงโง่ไอ้คนหลอกก็โง่ด้วยกันทําได้วินยัยใดเป็นไปเพื่อความมากมากมากใหญ่ทํานายวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตแล้วก็ก็ทํางี้กันแล้วก็เป็นหลงกันขออภัยต้องพูดชัดๆแม้แต่เทระสมาคมก็สนับสนุนหลงเห็นดีเห็นงามแล้วมันจะไปรอดเลย ง่บวกโง่คืออะไรแต่ขณะนี้มันไม่ใช่โง่บวกโง่มันโง่คูณโง่ถึงโง่ยกกำลังโง่อีกด้วยมันขั้นนั้นนะเอนี่อาตมาจะมาเทศนิปแปลว่าด่าเปล่า ทแปลว่าด่าบ้ามาด่าใครๆเขาเลอะเยอะแยะมากมาย <c oughs> มันเป็นออบชุนิตี้ต้องดา่า <c oughs> <c oughs> ก็มันโอโหมันโง่สเส้แลวเกินเนี่ <c oughs> และมันสุระมันไม่ใช่มันอสุรกายลวเกิน สุรกายในหมายคำว่าองค์ประชุมของนรกองค์ประชุมของสัตว์นรกย่างกล้าแข็งสุรในแปลว่ากล้าแข็งกายในแปลว่าองค์ประชุมของอวิชากายะสุรกายเนี่ยกายกายโยนองค์ประชุมของอวิชาองค์ประชุมของสัตว์นรกเพราะฉะนั้นพวกตกตามพวกอบายขั้นอสุรกายนี่ยคือขั้นที่มันมีองค์ประชุมของ สัตว์นรกยังแข็งกล้าสเตร n g ์เเลยเขาจึงแปลว่าพวกไม่กล้าอ่อนแออสุรกายที่จึงมันสุรกายมันมีความกล้าแข็งของความเป็นสัตว์นรกเลยเรียกว่าอสุรกาย มันไม่กล้าในการทำดีเลยมันหมดแรงทำดีอันนั้นก็เป็น weakness ของมันนี่คือ S W สองอย่างในสังคมขณะนี้ opportunity ขณะนี้ เพราะั้นเราจะทำอย่างไรเราจะมาจัดการทริสต์ให้ได้ทั้งองค์รวมของสังคมประเทศเราก็ยังไม่ต้องไปอะไรมากเพราะยังไม่ใช่หน้าที่ให้หน้าที่คุณตู่ก็แล้วกันของเราก็มาเตรียมตัวของเราทำแวดวงของเราตามกรอบของเราเอาแค่คอนเท็กซ์ของเรา พอแล้วเอาแค่ปริเฉศแต่คอนเทกซ์เขาไปตีกับบริบทก็ได้เอาแค่บริบทของเราแตยาย่ขยายขยายบริบทไปเป็นคอนเทนต์ก็คือชุมชนเราหลายชุมชนเป็นคอนเทนต์ชุมชนเราหลายชุมชนก็รวมกันมาเท่าที่มีนี่แหละ นี่จะไปเอาว่าปริเฉษบอกว่าเป็นแชปเตอร์ก็ได้แชปเตอร์นี่มันรวมหมดเลยนะแชปเตอร์นี่มันรวมทั้งหลายปริเฉษมากเลยแชปเตอร์เนี่ยก็ถ้าที่รวมได้ขณะนี้เราเราดูประมาณดูว่าพอเราเราจะขยายกลุ่มขยายหมู่แต่ตอนนี้เราทําที่กลุ่มนี้หมู่นี้เราก็ทํา กลุ่มนี้มูนี้กันเราจะตรวจสอบกันเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงให้จเจริญขึ้นมาสังเคราะห์สังคานขึ้นให้มันจริงภาษาบาลีท่านเรียกว่ามาสังขยนาสังขยนามาตรวจสอบสังขยนาคือตรวจสอบ มีการคนตรวจอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นมีการตรวจมีการว่ามีการขยายผลอะไรแต่อะไรเอาหลักเกณฑ์มาพูดด้วยเอาเนื้อแท้ออกมาขยายความจริงออกมาสู่กันด้วยว่าเอออนนตนานนี้ของเรามีอะไรของเราดีอะไรไม่ดีอะไรก็มีทั้งเอสมีทั้งดยูนี่แหละแล้วเราก็เอามาเฉลี่ยกันมาแก้ไขกัน มาปรับกันหลักสูตรพวกนี้เนี่ยอยู่ในศาสนาอยู่ในของพุทธมีหมดทำมาทั้งนั้นอาตมาไม่ได้ไปเรียนทางโลกมาเลยไอ้พวกนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังมาทวนก็ท่านดินไทยว่าเอ๊ะไ อ, อ้ w a r r a n t อาตมายังไม่แม่นนึกว่าท r e a t m e n t ท่านก็นตรวจ ด, ดูถาม ไ อ, อ้เจ้ากูหรือไงไม่รู้อะท่านก็กดหาดูว่าอ๋อมันไม่ใช่ trees แมน treats, treats. น่มัน trees t r e s นะ T H E A T H R E A T มีลงลงท้าย s อ, อีกต่างหากเอา้อาก็มันเป็นไรนพ่อธรรมานี่ไม่ได้ภาษีภาษาชีวิตนี้ชาตินี้อรตามานี่ไม่ได้ไป เอาทางโน้นมามันเน้นทางธรรมะเพราะยังภาษาธรรมะอัตมานี่พอได้ตอนนี้แต่ไม่ได้ไปศึกษามาด้วยภาษาธรรมะก็เข้ามาเก็บเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปแต่ละวันแต่ละไม่ได้ไปเรียนเป็นระบบกัขเข้ามาไม่ได้มาเป็นนักเรียนนักรู้ไม่ได้เลินเด็ดแมนอะไรเลยนะแต่ก็ต้องทําก็อพอได้ ตอนนี้ก็อาตมาก็อยู่ในฐานะที่จะเน้นเรื่องภาษาธรรมอยู่ในเรื่องของเนื้อธรรมสักใหญ่นอกนั้นอาตมาก็อาศัยใช้ประกอบไปด้วยบุโรปุเลไปตามเรื่องนะบางทีก็เอาหัวแพะไปจนหัวแกะมึงก็ขออาภายัยก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วหลายบ้างอ่าเลยสิบเอกหลายบ้างสิบเอกนี่สามบ้างแล้วนะ เลยสิบเอกนี่หลายบังเป็นจานี่หลายบังยังไม่ออกดาวออกแต่แค่เป็นบงังบังยังไม่มีแสงในตัวแล้วก็รวมกันนะก็พยายามตอนนี้เนี่ยอาตมาก็ขอขยายความขอขยายความต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาหรือว่าเรากำลังจะพัฒนาด้านการศึกษาของเราเนี่ยเราเป็นการศึกษาที่จะให้ครบบวอรวอให้ครบต่สังคมหมู่บ้านสังคมอาเภอสังคมจังหวัดแต่ตอนนี้เราเอาเริ่มชุมชนและหมู่บ้านก่อนเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเป็นเครือแห้สารกันโยงใยกันไม่ใช่มารวมมันเป็นปึกเป็นก้อน แต่สางกันอยู่ทั่วเขตอยู่ในประเทศไทยก็อยู่ที่น่นเนื้อตกออกใต้ก็เป็นเนื้อเดียวกันมีศีลสามัญตามีทิฏฐิสามั ญ, ญาต า, ม า, มญญ า, ตาหมายความว่ามีเป้าหมายเดียวกันทิฏฐิสามั ญ, ญาตามีหลักเกณฑ์ร่วมกัน มีทฤษดีร่วมกันมีสูตรร่วมกันมีกฎหลักเกณฑ์มีกรอบมีวิธีปฏิบัติสอดคล้องกันไปแนวเดียวกันสีนสามัญญาตาแล้วก็มีทิิมีจุดเป้าหมายมีจุดสำคัญ อ, อันเดียวกันตรงกันนะ แม้จะอยู่ห่างเราก็ตรงกันแล้วก็ทาตรงกันต้องตรวจสมาธิทิิตรวจความถูกต้องว่าศินสามัญญตาอย่างนี้นะหลักเกณฑ์ตออันเดียวกันนี่กอบขอบแค่คนหลักเกณฑ์เป้าหมายอันนี้นะอินเทรสพอยต์อันเดียวกันนะไปสู่จุดทางเดียวกันนะไม่ออกนอกองศามันจะต้องมีคอนเวนซ์ มีสิ่งที่โน้มนำพาไปสู่จุดเป้าหมายที่ถูกต้องเดียวกันเนี่ยเราก็ตรวจสอบอยู่เสมอแล้วเราก็ทำแล้วมันก็จะเกิดกลุ่มอย่างนี้แหละเป็นเครือแห่อัตมาไม่เรียกเกิดข่ายเพราะเกิดข่ายมันจะแนวระนาบเท่านั้นเองแต่เครือแห้นี่มันจะเป็นอัตมาถึงใช้ตัวภาษาแทนว่าพีระมิดอลเว็บพีรมิดลเว็บแหมัน ไม่มีข้างในแต่พีระมิดอ่ะพีระมิดนี่มันมีมันมีเครื่องในมันมีแกนมันมีแท่งแกนรับข้าื่งในมันต่อเชื่อมกันเครงในหมดแต่แห่ไม่มีแต่รูปทรงมันเหมือนกันมันไปหาจุดยอดเหมือนกันแหลมเป็นเหมือนกันซึ่งมันมีความหมายเยอะนะมันมีความหมายเยอะ ที่อตมาพยายามจะบัญญัติจะพยายามใช้ภาษาในสังคมแบ่งเป็นสี่นหนึ่งนักบุญสองนักบริหารสามนักบริการ สี่รักผลิตนักบุญแต่ก่อนนี้อาตมาเรียกนักบวชไม่เอาเอานักบุญดีกว่าเพราะมันเป็นคนมีบุญบุญนิยมกว้างเป็นคนที่มาเรียนรู้หลักการหละลดกิเลสนักบุญนักบริหารนักบริการนักผลิตนี่ในสังคมมีสี่แบ่งออกเป็นสี่ นักผลิตนี่ก็คือกรรมกรเต็มๆนักบริการก็คือคนที่รับใช้หรือทั้งผู้รู้อยู่ในระดับกลางมากระดับกลางมากเลยนักบริรักบริการเนี่ยทั้งแรงงานก็ดีทั้งตัวความรู้ก็ดีนักบริการจะเยอะนักผลิตจริงๆเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆแล้วถ้าผู้ ว่ายุคนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยมันมีมากจรเพราะว่ามันคนไรความรู้ไรความสามารถแต่ถ้าเผื่อว่ามันสังคมเจริญนะมันจะน้อยมันจะอยู่ ก, กลางๆนี่เยอะนอกบริการนี่นใชเยอะเป็นคนทํางานจริงๆเลยทั้งทั้งงานทั้งความรู้ทั้งทํางงานทั้งแรงงานมีสมรรถนะมีความสามารถเยอะและมีภูมิปัญญามีทฤษฎีเดียวกัน มีทิฏฐิสามัญยตาแล้วก็มีหลักเกณฑ์เดียวกันมีกฎหลักเกณฑ์ลึกแม้จะเรียกกฎหมายก็ได้กฎหมายเดียวกันแ้วก็ทาอยู่ส่วนนักบริหารขึ้นไปนั้นะเป็นอนาคามีนักบุญคืออราหันต์นักบริหารคืออนาคามีนักบริการคือสกิทาคามีเป็นระยะยาวและมีปริมาณมาก ส่วนนักผลิตนั่นคือผู้ที่พลอบายยมุกนักผลิตคือผู้พนอบายยมุกเป็นโสดาบันเบื้องตน้นพวกทิมยังมีอบายยมุกอยู่ต่างๆโลกมากขอบโกยมากสวยมากงามมากสนุกมากเพลดิดเพลินมากโล ก, กียะมากๆากลาบยดซัสริญ ดื่นร่มด้วยกามดื่นร่มด้วยอัตตาอยู่อย่างจัดจ้านพวกเนี้ยพวกอบายทั้งหลายแล่เลยเจอะเลือเกินทุกวันเนี้ยนะที่มันนําโลกยุนานธรรมานาสงสารที่สุดเลยแต่ละวันแต่ละวันไอ้สื่อสารนี่มันเดียวมันก็ออกสื่อไอ้เอเอการกีฬาเดียวมันก็ออกการกีฬาแล้วกีฬาเนี่ยมันมีแต่มันจริงๆชนะชนะชนะแล้วมันทำมาอะไรมันได้อะไร ไม่เป็นโลเป็นภายมีแต่ละลายไปเลยเอาแรงไปเตะลูกกลมๆจนกระทั่งเด็กงงกว่าพ่อไอ้พวกนี้เขาแย่งลูกบอลกันสงสารกันเลยหอบลูกบอลไปยื่นให้แก่พวกที่มันแย่งกันอยู่ในสนามเด็กมันสงสารไอ้พวกนี้มันบอกผู้ใหญ่มันแย่งกันทําไมว่าลูกบอลก็เลยถือลูกบอลไปอเนี่ลูกบอล แย่งกันทำไมกันนักหนามันเท่านั้นเองแล้วมันเก่งจริงๆโอ้โหชิบหายเท่าไหร่ประมูลตัวกันแล้วก็เอาคนที่มันหลงงมงายจะต้องเอารถนิ่มันจริงๆแล้วก็สร้างสิโอ้โหสร้างถาทีลีลาสมเสียงสำเนียงสร้า ง, างอะไรล่ะเขาเรียกอะไรอ่าอ่า ฮะดรามา่าก็เกรียกเรียกไอ้อะไรก็เรียกอะไรไม่ใช่แอคชั่นอย่างเดียวไม่ใช่สไตล์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาอังกฤษนะอะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ มันอยู่ที่รีมฝีปากเนี่ยมันก็มาคิดไม่ออกอาจจะพรีเซ้นมันไม่ใช่ไอสาษไม่ใช่ทเลน น่ะนะใช่เอาเถอะคิดมันดวยออกมันลืมบิ้วบิว้วโอ้ตั้งนานบิ้ลฮะโอ้มันบิ้ลคิดก็จะเจอมันอยู่ริบบี่ปากนี่มันไม่ออกน่า จะมามันทำกันจริงๆเลยบรีวอารมณ์กันโอ้โหเจ้าประคุณมันแอคชั่นต้งมีทุกอย่างนะองค์ประกอบของอันนี้มารวมเลยอ่าไอ้แอคชั่นตัวฉันก็อะไรโถตีลกาอะไรแล้วแต่ไอ้คน เชียไอ้คนชมก็สร้างจิตบิวให้เกิดอารมณ์ให้เกิดความจิตยึดนี่กว่าแล้วจัดจ้านแรงมากเดี๋ยวนี้แกะไม่ออกเลยแตะไม่ได้เลยนะแต่มันฆ่าเราเลยฆ่าจริงมันแรงมากเลยสตรีงมากอาตอมาเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคอยดูเลยไอ้งานโอลิมปิกงานเอเชียนเกมงานอะไรพวกนี้มันจะทำลายเศรษฐกิจทำลาย บ้านเมืองทำลายความไอ้มันครอบงำเนี่ยมันจะไปหนักเลยเพราะมันสร้างแต่อารมณ์เฉยๆแล้วก็ไปติดอุปท า, านในอารมณ์มันไม่มีอะไรเลยลมๆแรงๆจริงๆเลยแล้วลงทุนอามากเลยเรื่องพานแพงเห็นไหมนี่คือความเสื่อมของโลกเป็นเครื่องชี้ความเสื่อมของโลกแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้ ราคาของนักบันเทิงราคาของนักกีฬาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นมากเท่าใดเท่าใดโลกเสื่อมมากเท่านั้นเท่านั้นแต่ก่อนนี้นักแสดงนี่มันไม่มีใครจ้างแต่กินดำกินดูถูกกันมันก็ต้องดูถูกแต่เดี๋ยวนี้ยกย่องกันให้ไปเป็นตัวแทนของประเทศเป็นอะไรเป็นทูตสันติภาพ เป็นทูตขี่ม้าอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเอาพวกนี้ไอ้พวกอบายยมุกนี่ดาราอาบายยมุกนี่ไปดาราทางธรรมไม่ได้เคยเป็นดาราเลยมองมอ ง, มองอยู่งั้นนะดาราทางธรรมมองอยู่งั้นนี่คือความเสื่อมที่มันมองไม่เห็นนอกจากมองไม่เห็นแล้วก็คนที่ขึ้นไปอยู่บริหารมีอำนาจทางสังคมเป็นคนหน้ า, นามืดตาบอดมันก็เลย หูกับคิดทูดเลยไปได้วยกันมาด้วยกนันเลือดสุพรรณเลยมันล่มจมอย่างนี้ประเทศชาติหรือว่าสังคมทุกวันนี้นเอาเถอะมันเราไปแก้ไของค์วงกว้างทีเดียวยังไม่ได้เราทำที่ประเทศไทยอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะว่าประเทศไทยเราในกำลังจะเป็นชมพูทวีปซึ่งเป็นความหมายลึกคนเยังไม่ค่อยเข้าใจได้ว่าชมพูทวีปหมายถึงอะไร ก็หมายถึงสุรพาวสติมันโตอิทัปรมจาริยวาโซนั่นแหละซึ่งขอผ่านวันนี้เวลาเกหมดแล้ว4ี่สบสี่เล้ยอีกสิกวนาที <c oughs> กำลังจะเป็นโอกาสที่คนเมืองไทยคนไทยไม่ต้องใหญ่อาณาบริเวณของเราไม่จําเป็นจะต้องเท่าประเทศจีนประเทศเอเมริกาเท่ารัเสเซียไม่ต้องอาณาบริเวณของเราเท่าประเทศไทยนี่แหละ เหมือนกับอังกฤษเคยเป็นเจ้าโลกอานานิคมเยอะ ค, คล้ายๆกันอังกฤษนั่นก็ใช้จิตวิญญาณ น, นำจนกระทั่งมากลายเป็นนักล่าอานานิคมจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเลวๆแต่ก็ยังดีมารู้ตัวซะแล้วก็เปลี่ยนแปลงซะก็เลยพอเป็นไปได้อังกฤษนะ ตมาเดาไม่ออกนะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจีนเนี่ยจ ะ, จะเจริญด้วยทางด้านเศรษฐกิจจะร่ํารวยจะมีอํานาจทางด้านเศรษฐกิจจีนเนี่ยในอนาคตเสร็จแล้วเขาจะเป็นนักล่าเหมือนอังกฤษหรือเปล่าอเมริกานะ่ะกลายเป็นนักล่าในการสร้างอาวุธแล้วก็ทำอาวุธเป็นตัวก่อสงคราม มันสัมพันธ์กันนะก็สร้างอาวุธมาก็เพื่อขายอาวุธเพื่อที่จะแล้วเขาก็เป็นเจ้าอาวุธเนี่ยมันรู้เครื่องเครื่องมันสร้างก้อนเครื่องมันเก่งกว่าขายก็ขายไอ้ของรุ่นเก่าประสิทธิภาพน้อยกว่าของดีมันก็ใช้มันจะไปแพ้ได้ยังไงมันก็ชนะอยู่ทุกเมื่อคนอื่นก็คิดสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เกาหลีเหนือกําลังก่อวอดโดยหลงไห้ที่เขาทิ้งมาแล้วเกาหลีเหนือ กำลังก่อวอดจะไปสะสมความรู้ทางด้านอาวุธทางด้านพลังอะไรบ้าๆ อ, อ, อีกเท่ยวก็ามาล้มเหลวมาแล้วเป็นหลงโลกเขาตกยุคอยู่เนี่ยเกาหลีเกาหลีเหนือสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะที่เรามีตัวอย่างเห็นต่างๆนานาพวกนี้เราดูเข้าใจแล้วเราก็มาปรับตัวเรา นะมาสวอตนี่แหละมาปรับตัวเราเอาคอนเท็กซ์ของเราเท่านี้เอาแค่บริบทนี้แล้วเราก็ทำให้มันจบเลยถ้าเป็นปริเฉตหรือเป็นบริบทเป็นภาษาทางพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าปริเฉรทรูปเนี่ยก็คือกรอบนี้เราจะต้อง เรียนรู้องค์ประกอบแล้วทําให้มันไปถึงศูนย์จะเริ่มต้นเข้าหาปริเฉนของรพระเจ้าศาสนาพุทธคือคุณต้องเรียนรู้มาถึงขั้นอปุเบคาเป็นฐานนิพพานปริเฉนนี้กรอบเล็กกรอบสุดท้ายละพระเจ้าเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่อากาศเริ่มต้นที่อากาสานัญจายตนะ แล้วตรวจวิญญาณัญจา ย, ยัตนาตรวจอกิจัญญายตนาตรวจในวสัญยานาสัญญายตนะจนสูงสุดสัญญาเวทยิตนิโรตสัญญาเวทยิตังนิโรทังโหติจบที่สัญญาเวทยิตนิโรตตรวจสอบอ่านความสะอาดเรียบร้อยหมดทุกอย่างสะอาดแน่แท้อย่างยืนถาวรเรียกว่าไม่มี ไม่มีอาสมาหิตะไม่มีอาวิมุตตเลยทั้งแข็งแรงทั้งสะอาดสะ อ, าอ้านยังยืนทั้งมี <c oughs> ผลสมบูรณ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้รูปธรรม <c oughs> ไปถึงขั้นปริเฉทรูปนตรวจไม่ได้ จากปริเฉทรูปถึงจะต้องรู้จักวิญญตรูปรู้จักวิการรูปรู้จักลักษณะรูปลักษณะรูปจึงจะสามารถที่จะอนุโลมปฏิโลมพาะฐานนิพพานอยู่ที่ถึงขั้นรูปฌานอยู่ที่ขั้นทำผลถึงขั้นอุเบกขาปริเชทรูปแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะอากาศอากาศสายอากาศ าจันดดัน์ตอากาษาอากาศายตนะนันจายตนะพูดอยู่แทนนี้ก็ติดนใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ทำอากาศาให้ไปถึงนิโรธพอทำนิโรธแล้วเราก็จะต้องรู้องค์ประกอบของอากาเนี่ยการเคลื่อนไหวเคนติก หรือดินามิกต่างๆการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบที่มันรวมทั้งหมดได้ว่ากายวิญญาตทั้งนอกและในในเป็นประธานจิตวิญญาณเป็นประธานพลังงานลึกเพราะเราจะรู้พลังงานไปถึงขั้นในสุดของพระพุทธเจ้านี่โดยเฉพาะคนก็ไปรู้ไปถึงขั้นอันคอนเชียสและวิธีเอาอันคอนเชียสมาใช้เนี่ย ท่านใช้วิธีดึงออกมาดึงออกมาของพระเจ้าไม่ใช่กดเข้าไปกดเข้าไปมันยิ่งลึกมันยิ่งละเอียดกดเข้าไปมันจะไปเห็นได้ไงพราะวิธีของรูสีวิธีนั่งสะกดจิตมันไม่มีทางเอาอันคอนเชสขึ้นมาใช้ได้แต่ของพระเจ้านั้นดึงออกมาใช้ได้ตแต่คอนเชสต์ข้างนอกสามาัญสํานึกข้างนอกดึงออกมาใช้กระทบสัมผัสแล้วก็ฆ่าเหตุจึงเรียกว่าดับอบายแล้วก็ฆ่าเหตุต่อมาเรียกว่ากามาพบ ค้าทั้งๆที่มันมีเหตุปัจจัยอยู่นี่แหละแล้วลอยู่เนือมันโลกาภิตน์จิตนี่มันอยู่เนื้อเสิ่งเหล่านี้คอนชิส ต, ต่างๆก็เลื่อนขึ้นมาจากอบายมาเป็นกามาพบจากกามาพบค่าได้อีกก็เลื่อนจากรูปมาพบขึ้นมาอีกจิตที่เป็นอันคอนชิสก็ขึ้นมาเป็นไรมาเป็นซับคอนชิสคอนชิสไอ้นี่จบไปคอนชิสใหม่คอนชิสซับคอนชิสก็ขึ้นมาแทน โดยการสัมผัสแต่ต้องก็ฆ่ากิเลสอีกมีกามาวาจร น, นี่แหละเป็นฐานที่ปฏิบัติรูปาวาจรสำหรับเราเรียกว่าโอปปาติกะเพราะงั้นพระอนาคามีจึงฆ่ากิเลสในขนาดที่มีพบกรมนี่ไม่ได้นีเลยจึงเรียกว่าโลกุตระยุ่นเนื้ออันนี้แล้วกิเลส ข, ของเราเองเราก็ฆ่าที่ s u ั c o n s c i o u s ขึ้นมาก็ฆ่าหมด subconscious คือรูปรู ป, ปาวรจรรู ป, ปรจิตอรู ป, ปรจิตหมด unconscious ก็ขึ้นมาจิตไร้สำนึกก็ขึ้นมาแทนไป conscious ก็ฆ่าหมดจบกิเลสก็หมดวิธีการของพระพุทธเจ้านี่ฆ่าได้ถึง unconscious กิเลสในอนุไยอาสวะโดยวิธีการ ดึงแกออกมาไม่ใช่ว่ากดมันเข้าไปนี่คือป็นวิธีการของพระพุทธเจ้ากดเข้าไปมันมีแค่หมักหมมเน่าในพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าอย่างนั้นมีแต่หมักหมมเน่าในวิธีการนี้มันกดได้มันชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ได้ล้างเลยมีแต่หมักหมมเน่าในมันก็เป็น potential energy ที่คุณไม่รู้จากมันมันแฝงตัวเป็นอาสวะแฝงตัวเป็น ยีสแตกตัวอยู่นั้นคุณไม่รู้ไม่รู้จักมันเลยแต่มันแตกตัวอยู่อย่างน่ากลัวถึงวันหนึ่งมันก็ระเบิดมันกระทบสปพัดข้างนอกก็สู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าศึกษามนุษย์มาไม่รู้กี่ล้านชาติด้วยวิธีของท่านดวยวิธีของพระเจ้าที่นำพากันมาไม่รู้กี่ชาติ ไม่ใช่กี่ชาติออกอยู่ในสังสารวัตรนี่มันนับชาติไม่ได้ครับแล้วก็คนสัตว์โลกในโลกนี้ในมหาจักรวานี้มีไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านลูกเกิดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดับศูนย์ไปโลกแตกไปไม่รู้กี่ล้านล้านล้านลูกแล้วคุณจะไปเริ่มต้นตรงไหนมันไม่มีเริ่มต้นแต่ทุกอย่างมันก็คือความหมุนเวียนอยู่อย่างงี้ตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรใหม่เลยคนที่ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่นั่นนะคือคนยังไม่รู้จักความจริงคนก็หลงสิ่งใหม่คนรู้จักสิ่งที่มีความจริงแล้วมันไม่มีอะไรใหม่เลยเพราะฉะนั้นคนไม่หยุดที่จะไปหลงสิ่งใหม่เนี่ยโออีกนาน อีกนานชาติเนี่ยอัตมาก็พูดแรงที่มันแรงเพราะมันชัดเพราะเขาหาว่าอัตมาปากจัดอัตมาบอกอัตมาปากชัดไม่ใช่ปากจัดพูดสิ่งที่มันจริงอ่ะมันจริงมันชัดมันถูกแล้วถูกที่ไหนไหม ถูกที่คุณนะมันพูดอะไรมาถูกเราหมดเขาก็เจ็บะเทพมันจึงต้องระมรงงัดระวังไงไปถได้พูดไม่มีกาละพูดไม่รู้บุคคลพูดพูดไม่รู้โอกาสต่างๆเดี๋ยวเถอะนะแต่ตอนนี้มันยากพูดนี่ออกไปหมดเลทั่วตอนนี้เต่างประเทศก็ดูดูกันอยู่เนี่ย ก็เอาไม่ว่ากันเพราะว่ายุคนี้มันยังงั้นแล้วน่ยอา้าวก็มาเตรียมตัวกันนามาศึกษากันมาพยายามกันทั้งเตรียมตัวที่เราจะทำงานกับสังคมโลกทั้งเตรียมตัวพวกเรากันเองน่าเราก็จะเตรียมตัวไปหมดทุกอย่างทุกด้านเนะี่ยฟังกันผู้ใดอยู่กับหมู่นี่แล้วแล้วก็ถูกเขาท้วงเขาติง หรือการเกิดการขัดแย้งกันขึ้นมาผู้ใดรู้ตัวก่อนหยุดก่อนผู้นนชนะผู้ใดยังไม่รู้ตัวแน่นอนมาหยุดออกคนยังไม่รู้ตัวหนีม่หยุดแม่รู้ตัวแล้วแต่ยังไม่ยอมหยุดก็ยังไม่ชนะถ้าผู้ใดอยู่ในนี้แล้วไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเอผิดไม่ดีเอาความคิดของหมู พราะงั้นเธอจึงใช่หลักเยเุยสกาเยเสียงข้างมากเป็นการตัดสินเป็นหลักเกณสากลพระพุทธเจ้าใช่มาก่อนเยเุยสิกาเอาเสียงข้างมากนี่แหละประชาธิปไตยก็ใช้เงี้ยแต่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยของชาวโซนนี่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หาเสียงเอาคนมาเป็นพรรคมาเป็นพวกมาเป็นที่มีวิบมีอะไรบังคับไปไม่มีคุณอิ ส, าสราเอลีภาพทุกคน ใช้ปัญญาใช้ตัวจริงเพราะงั้นออกเสียงมันจึงสะอาดบริสุทธิ์กว่าไอ้คนนี่เอาพักมาโอ้โหคนนั้นกับคนของคนนี้คนนี้คนคนนี้แล้วก็มีวิบจะไม่รู้กี่ชั้นมาถึงสภา ย, ยังมีวิบสภาอีกประชาธิปไตยขี้มาอะไรกันเพราะงั้นไอ้โลกที่มีวิบอยู่นี่มันไม่มีประชาธิปไตยไม่มี อตาตมาเขาบอกว่าการหาเสียงอยู่ก็ไม่ใช่ไปจะอธิปไตยย่าไปหาเสียงอย่างโพลที่รักมาถึงวันนี้นี่เพราะไม่หาเสียงเนี่มันถึงไปไปไปไหนไม่ถึงไหนถ้าหาเสียงเราไปนานแล้วเด่นไปนานแล้วนี่ไม่หาเสียงนี่โดนดายย่าจนทุกวันยังโดนด่ายอยู่เล ย, ยาปากหนักปากแรงอยู่เลยที่จริงปากชัด ปากหนักปากแรงก็เรียกว่าปากจัดอาตมาเลี่ยงซะอาตมาไม่ได้หาเสียงเพราะฉะนั้นพวกจะรู้ไม่ทันเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกเขาก็หาว่าอาตมาปากจัดหลงตัวพุทธจงปวดดีอะไรหลายอย่างมากมายก็ไม่เป็นไรเขาไม่รู้แต่คนรู้มันก็เป็นการคัดเลือกคนรู้เข้ามาคนรู้เขาก็มาเอา ก็ได้ไปเพราะงั้นอาตมาได้คนรู้ทีละคนทีละคนทีละคนดีกว่าอาตมาได้คนโง่ามาทีละลอยทีละล้านเอามาทำรองเท้าทำไมเพราะอาตมาไม่ใส่รองเท้าแล้วจะใส่เหมือนกันเวลาออกกาลังนี่รองเท้ามัน จะปากอ้าหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้เขาไปถักกาวตาซะหน่อย <c oughs> อัตามาจะไม่ใส่เขาก็มาบังคับไม่ใส่ซื้อมาไม่รู้กี่คู่ตกี่คู่อัตามาไม่ต้องหิ้วนะไปสันติก็มีซื้อเขาซื้อทิ้งไว้ให้มานี่ก็มีซื้อไปอะไรจะออกกําลังก็ต้องใส่ไม่ให้เดินเท้าเปล่ากลัว ม, มันจะกระเทือนเฮย อาตมาก็ยังไม่รู้มันทําไมทั้งเดินไม่ต้องใสแ่แต่ก็เดินออ ก, กําลังนั้นไม่ไปได้เหยียบอะไรไม่ได้ไปกระทุ้งกระแทกอะไรเขามาลงน้าหนักถ้ามีอันี้มันมีบัฟเฟอร์มันมีบัฟเฟอร์มันมีที่ออรองรับหน่อยมันก็ยังไม่กระแทกแดงอันี้มันหินอันี้มันอะไรมันแดงมันก็จริงมีเหตุผลก็เลยต้องยอมจํานนแทนที่อาตมาจะเดียวกันนั้นเดินชากันนั้นหนักก่า น, นั้นเมื่อยกันนั้น ใส่รองเท้าต้องถอแถมน้ำหนักถ้าไม่มีรองเท้าอาตมาเดินได้เร็ววานี่เดี๋ยวนี้อัตมาเดินรอบนี่เนี่ยโอ้โหเกือบนาทีแต่ก่อนนี้เดินไม่ถึงนาทีเดี๋ยวนี้เดินเกือบนาทีในรอบไม่ใช่อัตมากแกนะที่เดินไม่รอบเนี่ยมันเพราะคายใส่เกือกมันเลยเดินช้าลง <c oughs> เอารูปอัตมาตะเ ก, ากามาใส่มาออกมาไอ้นี่รูปใส่รองเท้าแล้วนี่ เนะมื่อเช้านี้อ๋อรูปเมื่อเช้านี้เองเนาะรูปเมื่อเช้านี้เองต้องกำลังเมื่อเช้าใส่รองเท้าแล้วแต่ก่อนนี้ไม่ใส่รองเท้าเดินก็มนะีรูปแต่ก่อนนี้ไม่ใส่รองเท้าเดินแล้วว่านี้เดี๋ยวนี้ น, เ น, เ น, นน ะ, อะเอาละนะอตาตมาก็สรุปเรื่องนั่นเรื่องนี้แม้แต่ที่สุดพูดถึงตัวเองประกอบไม่ได้อวดตัวอวดตัวอะไรหรอกอวดก็บอกสิ่งที่อตาตมากำห น, นา มันไม่น่าชื่นชมโลกเขายังไม่ชื่นชมหลอกวอาตมาสิ่งที่โชยโชยอยู่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ดูหยาบดูแรงดูจัดนะมนไม่ใช่สิ่งที่ยังน่าอวดอย่างโลกโลกเขานี่มันพิ้งพรายรู้ราฟั่ฟ้างดงามอะไรต่อะไรของเขาซึ่งมันไม่เหมือนกันก็มันเป็นไรนะอาตมาก็ทําไปตามประสาที่อาตมาประมาณแล้วเห็นควรว่าเอาควรจะออกตัวขนาดไหนแค่ใดนะ ถ้าอาตมานะขอสรุปตรงนี้ถ้าอาตมาไม่เปลี่ยนลุกไม่เปลี่ยนถ้าทีรีลามาเหมือนอย่างโพธิรักเมื่อส0 4สบสี่สิบปีที่แล้วใครเห็นอาตมาตั้งแต่ส0 4สี่ปีที่แล้วบังยกมือดิอโอโหนิ่งสงบเรียบร้อยสำรวม เหมือนเดียวนี้เหมือนลิงเหมือนข้างไม่ไม่มีสัมนะสามรูปเหมือนนู้นถ้าอาตมาทำอย่างนั้นมาถึงทุกวันนี้อาตมาจะมีแฟนนานๆานูแฟนเยอะไหมแน่นอนแน่นอนจริงถ้าอาตมาทำอย่างนี้นมาถึงทุกวันนี้อาตมามีพลเมืองเจอะเลยแต่ในยะลึกซึ้งอาตมา เล่นวิธีนี้ดีกว่าที่ทำมาเนี่ยมันยายไม่ถูกก็ค่อยปรับมาค่อยปรับมาก็ค่อยยืดหยุ่นมาก็ค่อยหยาบมาเรื่อยๆขอไปยพูดชัดๆค่อยๆหยาบมาเรื่อยๆมาถึงวันนี้หยาบเยอะแล้วมั น, เ ป, น, เ, เ, นเป็นการเลือกเฟนเนี่ยเป็นการเลือกคัดเลือกมาจนกระทั่งมาได้ขนาดนี้ มันซ้อนแล้วพวกเราก็มีอีกหลายชั้นคนอื่นๆที่ตับช่วงก็ขยับมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนมาทั้งทั้งมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาสพอรู้ตัวก็คนไหนอนุโลมได้ก็จะกลับซึ่งมันซ้อนสภาพมุนรอบเจิงซ้อนพวกนี้มันเยอะถ้าไม่ใช่ตัวจริงเสแส้งมันจะไม่เหมือนถ้าตัวจริงมัน ไม่เหมือนเสแสร้งแมันจะจริงมันจะเห็นชัดเจนว่าจริงเลยเพราะไอ้เรื่องที่จะรู้เรื่องกายวิญญตัตวิจิวิญญตัตของคนเนี่ยที่จะรู้ลัละเอียดว่ามันเสแส้งนะจอมปลีเทนเดอร์หรือเปล่าหรือว่าพวกที่จริงใจนะสินเสียไม่รู้ว่าใครเป็นใคร สินเชียร์ปรีเทนก็ต้องเรียนรู้จริงๆเพราะคนจะรู้จักรกายวิญญัตวจีวิญญาต ร, รูรูปเคื่อการเคลื่อนไหวองค์รวมนจากขีตวาทิตะหรือวจีวิญญาตก็แค่ขีตวาทิตะแค่สุมเสียงสำเนียงภาษาคำพูด แต่ถ้ารวมทั้งท่าทางลีลานัดจด้วยก็เรียกว่ากายวิญญัติซึ่งออกมาจากมโนจิตเป็นประธานมโนปุพังขนะมโนปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนมยาผู้จะสัจจานโุโลมิกยานสามารถที่จะอนุโลมปฏิโลมมีสัปพุริธรรมมีมหาประเทศสี่มีสัปพุริธรรมเจ็ดจริงทำขึ้นได้จริงประกอบ รูปรถดิ้นเสียงสัมผัสประกอบอะไรต่างๆนานาเป็นกายสังขารเป็นวจีสังขารมาจากจิตของผู้ที่ได้ฝึกไปดีแล้วแล้วก็มีคุณธรรมจริงมีผลของจิตจริงจึงจะทำได้สมบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับนะอ่ะสหรับวันนี้อาตมาก็ใช้เวลามาสมควรก็เวลาหมดเวลาละว11นาฬิกาสนาทีสหรับนาฬิกาอาตมามันไม่เคยตรงกับข้าหลงข้ามันเร็วกวนน่านนวมันเร็วกว่าสอง เจ็ดแปดนาทีเจ็ดนาทีแล้วมาสีา่นะเอาละสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน